เจริญพนทุกๆุกท่านหลวงพ่อมาเทศเมืองนคร น, นี้ครั้งนี้ครั้งที่สองเราก่อนมาเนี่ยใครได้ไปฟังบ้างมีไหมฟังมาเกือบปีละได้ปฏิบัติไหม <c oughs> ถ้าได้ปฏิบัติน้ําปีหนึ่งเนี่ยเราก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วล่ะทุกวันนี้คนฟังซีดีห <c oughs> ลวงพ่อนะเดือนสองเดือนเลยเนี่ยชีวิตจิตใจก็เปลี่ยนละ ยังเคยมีความทุกข์มากนะความทุกข์ก็เหลือน้อยเคยทุกข์นานๆก็เหลือทุกข์สั้นๆธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของอัศจรรย์ถ้าเราได้ศึกษาได้ปฏิบัตินะลงมือทําให้มันถูกต้องแล้วก็เราจะเปลี่ยนตัวเองได้ในเวลาอันรวดเร็วใครๆพระพุทธเจนะ้านะท่านมีมนต์เปลี่ยนใจเปลี่ยนใจจากใจที่มืดที่บอดนะให้สว่างสวัยใจที่ชั่วรายให้มันดีงาม สมัยพุทธกาลนะพวกเดรธีนะเขาเตือนเงี่ยเลยว่าอย่าไปฟังธรรมของพระสมณะโคดมเขาเรียกพระพุทธเจ้าเราว่าพระสมณะโคดมบอกถ้าไปฟังธรรมนะจะต้องถูกพระสมณะโคดมนี้ใช้มนุ์เปลี่ยนใจที น, นี้คนไหนมีสติปัญญาได้มาฟังก็เปลี่ยนจริงๆ จ, จากใจเมืดใจบอดสว่างสบายรู้เนื้อ ร, รู้ตัวนะมีความสุขความทุกข์มันตกหายไปต่อหน้าต่อตา นธรรมะอันวิเศษอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยยังรักษาสืบทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้ยังไม่สูญหายไปถ้าพวกเราได้ยินได้ฟังธรรมะภาคปฏิบัติแท้ๆนะแล้วเราลงมือปฏิบัติให้ถูกปฏิบัติให้มากพอในเวลาไม่นานเราจะได้ริมรสชาติของธรรมะอย่างเราไม่เคยมีศีลเราหัดรักษาศีลได้เราได้รสชาติของคนมีศีล เราไม่เคยฝึกจิตให้มีสมาธิแล้วเรามาฝึกจิตให้มันมีสมาธิขึ้นได้เราได้รสชาติของสมาธิไม่เหมือนรสของศีลนะมันประณีตกว่าเรามาหัดเจริญปัญญานะการเจริญปัญญาในพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากเลยลํ า, าพังศาสนาพุทธนะถ้าลําพังมีแค่การทําทานการรักษาศีลการนั่งสมาธิแนละ้วก็าศาสนาพุทธก็ไม่ได้ต่างอะไรกับาศาสนาอื่นๆื่นลัที่อื่นๆ สิ่งที่ทําให้พระพุทธศาสนาต่างกับคนอื่นเขาก็คือการเจริญปัญญานี่แหละพระพุทธเจ้าท่านชี้ขาดเลยบอกว่าบุคคลนะเข้าถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาจิตใจเนี่ยจะเข้าถึงความสะอาดบริสุทธิ์นะด้วยปัญญาปัญญานี่ไม่ใช่เรื่องอ่านหนะังสือเอาเรื่องฟังซีดีฟังธรรมะอะไรนะไม่ใช่เรื่องที่นั่งคิดเอาเองปัญญานี่ต้องถึงขั้นการเจริญสติ เป็นปัญญาที่เรียกว่าภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการเจริญสติเจริญปัญญ า, างั้นสิ่งสําคัญมากเลยพวกเราชาวพุทธเนี่ยจะต้องเรียนวิธีเจริญสติเจริญปัญญาให้ได้ถ้าเราเรียนวิธีเจริญสติเจริญปัญญาไม่ได้แนละ้วก็เรายัางเป็นชาวพุทธแต่เปลือกอยังห่างากไกลจากคําสอนของพระพุทธเจ้ายัางไม่ได้ริมรถธรรมชาชั้นสูงนะถ้าเราได้เจริญสติเจริญปัญญามากเข้ามากเข้านะรสชาติของปัญญาเนี่ยให้ความสุข ที่แปลกออกไปจากสมาธิอีกและถ้าทํามากพอนะเราจะเกิดวิมุตต์คือการที่จิตเนี่ยเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นเป็นขั้นๆไปตั้งแต่ขั้นต้นโสดาบันนะสัคาคามีนาคามีขั้นสุดท้ายเป็นพระอราหันตะ์มันมีรสชาติของธรรมะนะของความบริสุทธิ์เนี่ยมีความสุขอันมหาศาลเป็นชั้นๆไปงั้นสิ่งสําคัญมากเลยคือเราจะต้อง ข้าวไปสู่การเจริญปัญญาให้ได้จะเจริญปัญญาได้สุดยอดแล้วเราจะเข้าใจอริยสัจเนี่ยหลวงพ่อเห็นตั้งหัวข้อให้หลวงพ่อเทศน์เรื่องอริยสัจแห่งจิตอริยสัจเน่เป็นเรื่องสําคัญมากเลยถ้าเรายังไม่รู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจ เ, เราอย่างเวียนว่ายตายเกิดอีกส่วนคําว่าอริยสัจแห่งจิตเนี่ยมันเป็นการแจ้งอริยสัจครั้งสุดท้ายเลย จ้าแจมแจ้งในอริยสัจแห่งจิตเนี่ยจะถึงที่สุดแห่งทุกข์เป็นพระอรหันตนะ์เขาลําพังการเห็นแจ้งอริยสัจนะเขาจะมีเป็นชั้นๆไปพระโสดาก็แจ้งแบบพระโสดาพระสกทาคาเกาแจ้งอย่างสกทาคาแนละพระอนาคาเนี่ยแจ้งอริยสัจอีกแบบหนึง่งแล้วถึงขั้นสุดท้ายที่จะบรรลุพระอรหันต์เนี่ยจะแจ้งอริยสัจของจิตนะจะเห็นว่าจริงๆแล้วตัวจิตนี้คือตัวทุกขนะ์นี่พวกเรายัางไม่เห็นหรอกต้องค่อยๆหัดตั้งแต่เบื้องต้นไป นี่ก่อนที่เราจะไปรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจได้เราจะต้องลงมือปฏิบัติธรรมะให้ครบนะธรรมะของพุทธเจ้ามีสามอั น, นเราจะต้องศึกษาให้ดีนะอันแรกเรื่องรักษาศีลทุกวันนี้คนไม่ยอมรักษาศีลเห็นว่าคนถือศีลเป็นคนโง่คนเขาถ้าเราได้ตั้งใจรักษาศีล น, นะเราไม่ยอมทำชั่วนะอย่าให้เกิดการทาบาปอาคศลทางกายทางวาจา้าอย่างเท่านั้น ตั้งใจรักษาไว้ถ้าเรารักษาศีลได้นะใจเราจะเกิดสมาธิอย่างง่ายดายเลยคนมีศีลจะได้สมาธิอย่างง่ายนะเพราะว่าเวลาเราไม่มีศีลเราทําผิดศีลเนี่ยจิตใจจะถูกกิเลสครอบงําอย่างคนไปฆ่าเขาไปด่าเขาไปตีเขาไปลักทรัพย์เขาหรืออะไรเขาเนี่ยจิตมันถูกกิเลสครอบงําเป็นช่วกับเขาเนี่ยถูกกิเลสครอบงําอย่างโทสะครอบงําจิตนะก็ไปทําร้ายเขาไปแกล้งทำร้ายทรัพย์สินเขา แกล้งผิดลูกผิดเมียเขาก็ได้นะด่าว่าให้ร้ายเขาก็ได้แกล้งเชียร์แกล้งชมให้เขาเสียผู้เสียคนไปเลยก็ได้นะหรือเวลาจิตใจเรามีโทสะจิตใจเราเศร้าหมองเราก็ไปกินเหล้าเมาอย่าเนี่ยเวลาที่จิตมันมีโทสะนะเราทําผิดศีลได้ทั้งห้าข้อเลยเวลาจิตมันมีโลภะมีราคะขึ้นมาก็ทําผิดศีลห้าข้อได้เหมือนกันนะอย่างเราโลภขึ้นมานะเราก็ไปทําร้ายเขาไปใจชิงทรัพย์เขานะ มีราคาเกิดขึ้นในผิดลูกผิดเมียเขาไปปลิ้นปล้อนหลอกลวงเขาหรือราคาครอบงําใจในใจมีความสุขเพลิดเพลินกระดีกระดากินเหล้าเมายาฉลองมีความสุขมากก็ฉลองอีกเนะี่ยทำผิดศีลห้าได้ทั้ง5ข้อเลยนะศีลศีลมันดังพร้อยไปก็เพราะกิเลสนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเราตามใจกิเลสนะเราทําผิดศีลนี่ก็คือการตามใจกิเลสยิ่งเราตามใจมันเท่าไหร่นะกิเลสจะยิ่งมีอํานาจมากขึ้นทุกที แต่ถ้าเราไม่ยอมตามใจมันนะกิเลสมันจะอ่อนกําลังลงเหมือนเรามีนิสัยอะไรอย่างหนึ่งนะเราสะสมของเราทุกวันทุกวันนะยิ่งนานไปนะันิสัยอันนั้นยิ่งเข้มข้นอย่างบางคนนะนิสัยขี้บน่นตอนสาวๆก็บ่นนิดๆหน่อยๆนะพอบ่นไปด้วยๆพะอะื่นแก่เนี่ยบ่นเก่งเลยนะสะสมอย่างบางคนขี้หัดหงิดขี้โมโหเรื่องนิดเรื่องน้อยอะไรก็โมโหไปด้วยอยู่ไปนานยิ่งแก่ยิ่งขี้โมโหหนักขึ้นเรื่อยๆ กิเลสมันก็สะสมนะมันจะครอบงําใจเราีใจเราไม่มีความสุขไม่มีความสงบเลยงั้นเราต้องอดทนแเราอย่าไปเชื่อกิเลสราคาเกิดขึ้ น, นความโลภมันเกิดขึ้นในใจให้เรารู้ทันอย่าไปเชื่อมันอย่าให้มันครอบงําใจเราให้เราทําผิดศีลห้าความโกรธเกิดขึ้นในใจอย่าให้มันครอบงําใจเราให้เรารู้ทันมันนะไม่งั้นเราจะทําผิดศีลห้าพอเราทําผิดไปได้นะต่อไปมันทําง่ายขึ้นง่ายขึ้นอย่างตอนเด็กๆบางคนนะ มีหนังสติกนะเดี่ยวยิงนกยิงตัวอะไรเล็กๆนะต่อไปก็ยิงตัวที่ใหญ่ขึ้นได้นะใจมันเคยชินจบฆ่าสุดท้ายมันก็ฆ่าคนฆ่าอะไรได้เี่ยมันค่อยๆสะสมไปนะความดีมันก็สะสมนะไม่เฉพาะความชั่วหรอกอย่างทีแรกเราอาจจะทําทานไม่ค่อยอยากทําทําแบบเสียไม่ได้ทํำนิดๆหน่อยๆต่อมาเราพบว่าเวลาเราให้เนี่ยเรามีความสุขแต่เวลาเราอยากได้ของคนอื่นเรามีความทุกข์เนี่ยเราจะเริ่มเห็นตรงนี้นะ วลาถ้าเราเป็นผู้ให้เราจงมีความสุขถ้าเราเป็นผู้จะเอาเนี่ยเราจะมีความทุกข์ใจไม่ค่อยฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นมันสละง่ายขึ้ น, นเสียสละง่ายขึ้นง่ายขึ้นเนี่ความดีก็สะสมเหมือนกันนะความชั่วก็สะสมเหมือนกันมันอยู่ที่ว่าเราจะปล่อยให้ความดีหรือความชั่วมันเกิดขึ้นในใจเราเราอย่าไปปล่อยให้ความชั่วมันคลำงําใจได้ต้องต่อสู้นะพยายามอดทนไว้โกรธขึ้นมาก็อย่าไปว่าเขาอย่าไปตีเขาไปทําร้ายเขา อย่าไปรักทรัพย์เขาอะไรนี้คอยรู้เท่าทันจิตใจของเราเองไม่ต้องไปนสนใจความรู้สึกของคนอื่นหรอกให้คอยสนใจความรู้สึกของตัวเองไว้กิเลสอะไรเกิดขึ้นในใจรู้ไว้เรื่อยๆทุกคนสามารถรู้ได้นะไม่ใช่รู้ไม่ได้รู้จักโกรธไหมใครๆก็โกรธเป็นใช่ไหมรู้จากโลภไหมอยากได้อยากโน้นอยากนีนะ่อากาศร้อนก็อยากให้เย็นนะอากาศเย็นก็อยากให้อุ่นๆนะฝนไม่ตกก็อยากให้ฝนตกฝนตกก็อยากให้ฝนหยุด นะมีได้ทุกเรื่องนะความอยากมีตลอดเวลายังไม่มีแฟนก็อยากมีแฟนมีแฟนแล้วอยากแต่งงานแต่งงานแล้วอยากหย่าเนี่ยแลอยากไปเรื่อยนะความอยากมันเผาผลาญใจของเราไปเรื่อยนะเนะนี่ยความโลภนะความอยากทุกคนก็รู้จักอยู่แล้วความโกรธทุกคนก็รู้จักความโลภทุกคนก็รู้จักเนี่ที่ผ่านมาเราล้าเลยอย่างเวลาเราโกรธนะแทนที่เราจะรู้ทันใจเราพักโกรธอยู่เราไปสนใจไอ้คนที่ทําให้เราโกรธ เวลาเราโลภขึ้นมาอย่างเรารักใครสักคนหนึ่งแทนที่เราจะรู้ทันใจของเราว่ากําลังลงรักเ้านะเรากลับไปสนใจคนที่เรารักเนี่ยหรืออย่างอยู่ถ้าอยู่เมืองใหญ่ๆอยู่กรุงเทพนะั้นเขาขับรถปาดหน้ากันขับกันปาดไปปาดมานะเวลาถูกเ้าปาดหน้าเราโกรธนะเวลาโกรธเนี่ยเราไม่ดูว่าใจเรากําลังโกรธเราไปดูไอ้คนที่ปาดหน้าเรายิ่งดูยิ่งโกรธเนี่ยเพียงแต่ว่าเราย้อนกลับมาดูจิต ด, ดูใจของเราไว้นะ เราไปกิเลสจะครอบงําใจไม่ได้แล้วศีลมันจะมาเองการรักษาศีลจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้วนะการรักษาศีลจะง่ายมากเลยแค่เรามีสติรักษาจิตไม่ให้ถูกกิเลสครํางําศีลมันก็อัตโนมัติมันก็มาแล้วนะเรื่องง่ายๆนี่เองง่ายๆแต่คนมองข้ามนะเพราะว่าทุกคนไม่สนใจที่จะคอยรู้ทันจิตใจตัวเองต่อไปนี้เราพยายามมาสนใจจิตใจของตัวเราเองไว้นศะีลเราก็จะเกิดขึ้น แล้วฝึกยังไงให้มีสมาธิแล้วก็อาศัยคอยรู้ทันจิตของเราอีกหละสิ่งที่ทําให้จิตไม่มีสมาธิแล้วก็เรียกว่านิวรณ์เป็นกิเลสเป็นกิเลสระดับกลางกลางนะไม่ใช่กิเลสวุ่นหวารุนแรงเหมือนโลภ แ, แรงแ ร, แรงโกรธแรงแรงฟุง้งซ่านแรงแรงนิวรนเนี่ยเป็นความที่ใจมันเศร้าหมองนะมันหมองหมองมันมัวมัวไปนะมันเช่นใจมันมีความรักใคร่ผูกพันในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในเนี้ย เวลาใจเราผูกผันในรูปใจมันอยากดูรูปใช่ไหมใจมันก็วิ่งไปดูรูปใจมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเวลามันอยากได้ยินเสียงใจมันวิ่งไปหาเสียงพอไปฟังเสียงมันเพลิดเพลินอยู่กับเสียงมันรู้รู้เสียงนะแต่มันไม่รู้ตัวเองว่าใจมันหลงเพลินไปกับเสียงแล้วเนี่ยใจมันยังไม่อยู่กับเนื้อกับตัวงั้นนิวรณ์นะมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะดึงใจของเราให้วิ่งออกไปข้างนอกให้มันลืมตัวเองเนี่ยเราต้องคอยฝึก อย่างพยาบาทเกิดขึ้นพยาบาทเกิดขึ้นพยาบาทคือความไม่พอใจนะในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสทั้งหลายนี่แหละเวลาเราเกลียดอะไรเราก็คอยดูดนั้นพวกเราเคยไปซื้อเสื้อสักตัวไหมซื้อเสื้ อ, ซ, อ, ซ, อซื้อผ้าอะไรสักตัวนะตอนเลือกมาก็เลือกมาสวยแล้วนะกลับมาบ้านพบมีรอยตำหนินิดหน่อยเคยซื้อของแล้วมันมีตำหนิไหมเวลาเราซื้อของเราเจอตำหนินะเราจะเวียนดูที่ตำหนิอ่ะ นึกออกไหมขอดีๆทั้งอันนั้นไม่ดูนะผ้าทั้งผืนนั้นไม่ดูเราจะไปดูไอ้รอยที่มันมีรูอยู่หน่อยหรืเนี้ยจะเวียนดูอยู่นั่นน่ะเนี่ยพยาบาทนะใจมันไม่พอใจมันก็ดึงใจของเราให้ไปจดจ่อกับไอ้สิ่งที่เราไม่พอใจมันพอใจอะไรมันก็ดึงจิตใจเราไปจดจอกับที่มันพอใจนะเนี่ยสิ่งเหล่านี้เรียกว่านิวรณ์นะนิวรณ์มันจะดึงใจเราให้เสียสมาธิไปทํำยังไงก็คอยรู้ทันมาอีกแหละ ถ้าใจเราจะไหลไปนะใจเราพอใจเรารู้ทันใจเราไม่พอใจเรารู้ทันใจเราฟุ้งซ่านเรารู้ทันใจเราลังเลสงสัยเรารู้ทันใจเราหดหู่เรารู้ทันเวลาลังเลสงสัยนะมันก็ดึงใจของเราให้คิดอุตลุดเลยเวลาสงสัยนึกออกไหมเวลาสงสัยอะไรนะใจใจจะยิ่งคิดมากกว่าเขาอีกนะเวลาเวลาซึมเศร้านะใจเขาไหลไปนะไปคิดอะไรที่เศร้าๆหนักขึ้นอีกพวกผู้หญิงเป็นเยอะนะ พวกผู้หญิงชอบสวมวิญญาณนางเอกอยากเป็นนางเอกชอบคิดอะไรให้เศร้าๆแล้วใจเนี่ยเจ็บๆแส บ, แสบๆนะรู้สะใจใครเคยทำสารภาพมามีไหมเคยไหม <c ười> นะคิดนะคิดให้มันเศร้าเลยนะแบบโอ้โหหักนะเพราะฉันเป็นนางเอกคิดเศร้านะมันลืมเนื้อลืมตัวนะใจไม่มีสมาธิสมาธิเสียหมดเลย เงั้นเวลานิวรณ์มันเกิดนะมันจะลากใจเราไปให้ฟุ้งซ่านไม่มีสมาธิเลยเราอาศัยสติของเราเนี่ยคอยรู้ทันใจมันฟุ้งซ่านขึ้มนมานะเรารู้ทันมันจะฟุ้งเพราะชอบฟุ้งเพราะเกลียดฟุ้งเพราะสงสัยหรือฟุ้งเพราะหดหู่ฟุ้งเพราะอะไรก็ตามเถอะให้คอยรู้ทันใจที่มันฟุ้งไปถ้าเรารู้ทันใจที่ฟุ้งซ่านนะความฟุ้งซ่านจะดับอัตโนมัตินะใจเราจะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัว งั้วิธีที่ให้เกิดสมาธิเนี่ยแสนจะง่ายเลยคอยรู้ทันเวลาจิตมันไม่มีสมาธิจิตที่ไม่มีสมาธิคือจิตที่ไหลไปจิตที่ไม่ตั้งมั่นไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไหลไปดูไหลไปฟังไหลไปคิดนะไหลไปดมกลิน่นไหลไปรู้รสไหลไปรู้สัมผัส ท, ทางกายจิตจะเคลื่อนไปเคลื่อนไปให้เราคอยรู้ทันจิตที่มันเคลื่อนไปนะจิตมันจะเคลื่อนได้ตลอดเวลานะยกตัวอย่างให้ดูเดียาให้ดูในนี้มี มีพระพุทธรูปอยู่นะพาะเราสังเกตดูว่าพระพุทธรูปองค์นี้ยยอดของท่าน่ะเป็นแบบไหนยอดของพระพุทธรูปแต่และองค์ไม่เหมือนกันนะเราสังเกตดูให้ดียอดกลมๆหรือยอดแหลมๆอันนี้ดูบอกไหมสังเกตไหมขณะที่เราตั้งใจดูพระพุทธรูปเนี่ยใจเราหนีไปอยู่ที่พระนึกออกไหมเรามีร่างกายนะแต่เราลืมร่างกายเรามีจิตใจเราลืมจิตใจของตัวเองจิตเราหนีไปอยู่ที่พระ เวลาเราไปดูอะไรก็ตามนะจิตจะหนีไปสู่ที่เราดูเวลาเราฟังอะไรนะจิตก็หนีไปหายที่เราฟังเวลาเราคิดเรื่องอะไรนะจิตห น, นีไปอยู่ในโลกของความคิดเราจะลืมกายมีกายลืมกายมีใจลืมใจ mm hmm. ต่อไปนี้นะเราจะต้องซ้อมต้องฝึกทุกวันทุกคนต้องทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งเพื่อให้จิตมีสมาธิแต่เวลาทำกรรมฐานให้จิตมีสมาธิเนี่ยไม่ใช่ทากรรมฐานแล้วบังคับไม่ให้จิต หนีไปที่อื่นนะอย่าบังคับจิตจิตไม่ชอบให้ใครบังคับแต่ให้เราใช้วิธีรู้ทันเวลาจิตมันหนีไปเช่นเราทําพุทโธพุทโธเราบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธในใจนะจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นเราคอยรู้ทันหรือเรารู้ลมหายใจเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าพอร่างกายมันหายใจออกร่างกายหายใจเข้าสักพักหนึ่งหนีไปคิดเรื่องอื่นให้เรารู้แล้วว่ามันลืมร่างกายไปแล้วมันหนีไปคิดแล้วตรงที่เรารู้ทันว่ามันหนีวิคิดนะ เราบรรลุมรรัยลืมใจของตัวเองนะทันทีที่รู้ทันเนียมันจะกลับมาจิตมันจะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวคําว่าสมาธิที่แท้จริงมันก็คือคําว่าจิตใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวนั่นแหละรู้จักไหมคํานี้รู้จักจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไหมจิตของเราปกติหนีนะไม่อยู่กับตัวเองนี่ไปอยู่กับคนอื่นไม่ไม่อยู่กับตัวเองต่อไปที่เราต้องฝึกนะทุกวันทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่ง วันหนึ่งหลวงพ่อขอเวลาสินาทีเท่านั้นแหละไม่ขอมากหรอกขอสินาทีเองซ้อมนะซ้อมทุกวันนั่งพุทโธไปนั่งหายใจไปแล้วก็คอยรู้ทันเวลาจิตมันเคลื่อนหนีไปคิดเรารู้หนีไปคิดเรารู้หลวงพ่อจะพาให้พวกเราดูจิตที่หนีไปคิดนะต่อไปนี้หลวงพ่อจะหยุดพูดนะหลวงพ่อจะมาดื่มน้าสักหน่อยหลวงพ่อจะหยุดพูดระหว่างที่หลวงพ่อหยุดพูดเนี่ยห้ามพวกเราคิดนะอย่าคิดนะอา้าวหลวงพ่อจะหยุดแล้ว ห้ามคิดนะคิดหรือไม่คิดคิดไหมคนไหนบอกไม่คิดนะดูไม่เป็นจิต้ะไม่เคยหยุดคิดเลยนะอย่างที่หลวงพ่อบอกวะอ้าวต่อไปนี้หยุดคิดก็นั่งไปนะนั่งคิดบางทีคิดพุทธโธ่ว่าคิดมพุทธโธคิดพุทโธก็คิดแล้วนะไม่ใช่หยุดคิดหรอกเพียงแต่ว่ามันหาเรื่องคิดเทไ ถ้าเราไม่คิดพุทโธมันก็ไปคิดเรื่องอื่นงั้นจิตเนี่ยมันคิดทั้งวัน่ะเราไม่ห้ามมันนะแต่จิตมันคิดเราค่อยรู้ทันจิตมันคิดเราคอยรู้ทันหลบงปูดุลสอนไหมว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็อาศัยคิดอาศัยคิดก็คือปล่อยให้จิตมันคิดตามธรรมชาตินี่แหละแต่คิดแล้วเรารู้ทันนะความคิดมันจะขาดไปจะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาเป็นขณะขณะไปตรงนี้ต้องซ้อมนะต้องซ้อมต้องฝึกหลวงพ่อมีซีดีมาแจกแจกฟรีไม่ขาย นะเอาไปฟังดูนะแล้วก็สักวันหนึ่งในเวลาไม่นานหรอกเดือน2เดือนเท่านั้นอ่ะพวกเราจะตื่นขึ้นมาอย่างแท้จริงเลสภาวะแห่งความตื่นนี่ก็คือสภาวะที่จิตใจเนะี่ยมาอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจเราจะไม่ไหลไปจิตแจมจะอยู่กับตัวเองนะสภาวะนี้เป็นสภาวะที่สําคัญมากสภาวะของสมาธิถ้าเราไม่มีสมาธิเราเดินปัญญาไม่ได้แต่สมาธิที่คนส่วนใหญ่ฝึกนั้นมันเป็นมิจฉาสมาธิสมาธิที่ไม่มีสติ สมาธิเคลือบเคลิมลืมเน้อลืมตัวสมาธิที่เห็นผีเห็นทเทวดาเห็นอะไรสมาธิอย่างนั้นไม่เห็นตัวเองสมาธิที่ไม่เห็นตัวเองจิตใจไม่อยู่กับตัวเองไม่ใช่สัมมาสมาธิสัมมาสมาธิเป็นสมาธิที่จิตใจอยู่กับตัวเองรู้สึกตัวอยู่สิ่งเหล่านี้อยู่ๆลอยๆมันไม่เกิดหรอกต้องลงทุนต้องลงแรงที่จะฝึกนั้นะเราคอยรู้ทันเวลาจิตมันหนีไปทํากรรมฐานนะทุกวันเอาวันหนึ่งสินาทีเท่านั้นแหละ ถึงเวลาเราไหว้พระสวดมนต์สัหน่อยหนึ่งแล้วก็ท่องพุทโธพุทโธไปหรือหายใจไปเห็นร่างกายหายใจไปเรื่อยนะแล้วใจมันหนีไปคิดอีกเรารู้ทันมันจะคิดแบบที่หลวงพ่อพาให้ดูตะเกียที่บอกห้ามคิดห้ามคิดะแอบคิดตลอดเลยลองอีกทีหนึ่งก็ได้ห้ามคิดนะคิดไหมคิดอุตลลดเลยห้ามไม่ได้หรอกจิตมีหน้าที่คิด จิตมีหน้านที่รู้สึกนึกคิดเราจะไปห้ามมันไม่ให้รู้สึกนึกคิดไม่ได้แต่มันคิดแล้วนะให้เรารู้ทันถ้าเรารู้ทันปุ๊บจิตมันจะกลับมาอยู่ที่ตัวเองนะเนี่ยค่อยฝึกนะนี่เป็นการฝึกจิตทั้งนั้นเลยฝึกจิตยังไงให้มีศีล น, นะเก็รู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นในใจถ้าเรารู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นในใจกิเลสครอบงำจิตไม่ได้ศีลมันจะมาเองฝึกจิตยังไงให้เกิดสมาธิ ทํากรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันหนีไปจิตมันแอบไปคิดเรารู้ทันจิตแอบไปคิดรู้ทันนะจิตมันจะไม่ไหลไปมันจะอยู่กับตัวเองขึ้นมาเพราะนั้นแหะจิตมันจะมีสมาธิขึ้นมานี่ต่อไปก็ถึงขั้นพอจิตใจเราอยู่กับตัวเองได้แล้วเราจะฝึกให้เกิดปัญญาเราใช้จิตที่รู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยจิตใจที่อยู่กับตัวเองแล้วนะไปรู้ร่างกายรู้จิตใจเราเห็นร่างกายมันหายใจเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหว ต่อไปนนี้ทุกคนหลวงพ่อจะพาดูนะพาดูร่างกายหายใจต่อไปนี้ให้ทุกคนเห็นร่างกายหายใจอย่าไปดูที่ลมนะอย่าไปจ้องที่ลมหายใจนะเอาเบื้องต้นจ้องที่ลมหายใจก่อนทุกคนจับอยู่ที่ลมหายใจเลยเอาหายใจไปแล้วจับเอาความรู้สึกจับไว้ที่ลมเลยลองดูสังเกตไหมมันสงบแต่มันซุมๆไปมันทื่อๆนะ อ้าทุกคนรู้สึกตัวลืมตาหยุดก่อนยิ้มหวานหวานทีหนึ่งก่อนการยิ้มหวานหวานสักครั้งนะเป็นการเปลี่ยนอารมณ์อารมณ์ที่เราเข้าไปติดตะเกียเป็นอารมณ์ของสมถะสมถะเฉยๆนะสงบเฉยๆแต่ไม่มีปัญญาหรอกซึมไปเฉย ๆ, ๆยิ้มหวานหวานก่อนเดี๋วคนเมืองนี้ทําไมไม่ค่อยยิ้มฮะ <c oughs> เออยิ้มเป็นเ อ, อเราบอกให้ยิ้มเลยหัวเราะเลย <c oughs> เห็นไหมตั้งกายกําลังยิ้มอยู่รู้สึกไหม พยักหน้าสิเห็นไหมร่างกายพยักหน้าตอนนี้ร่างกายกําลังนั่งอยู่รู้สึกไหมเห็นไหมร่างกายมันนั่งอยู่เห็นไหมร่างกายกำลังหายใจอย่าไปจ้องลมหายใจอย่างตะกี้นะแค่ดูทั้งตัวเนี่ยเห็นตัวเนี่ยมันกําลังหายใจอยู่นี่ถ้าเราฝึกอย่างนี้ได้นะเราจะได้สมาธิอีกชนิดหนึ่งคือใจเนี่ยมันจะตั้งมั่นขึ้นเป็นคนดูแล้วเห็นว่าร่างกายกับใจเนี่ยเป็นคนละอันกันสมาธิอย่างเนี้เอาไว้ทําให้เกิดปัญญา นะการเจริญปัญญาเนี่ยคือการเรียนรู้ความจริงของกายเรียนรู้ความจริงของใจจะเรียนรู้ได้ใจต้องตั้งมั่นขึ้นมาเป็นแค่คนดูอา้าวยิ้มหวานอีกทีหนึ่งคิดถึงกำนันสุเทพแล้วยิ้มสิเออเนี่ยกำ น, นกันจะไปอยู่กรุงเทพมานานลนะนะยิ้มหวานหวานแล้วเห็นตัวเองยิ้มเห็นไหมส่วนใหญ่ไม่เห็นหรอกส่วนใหญ่เห็นหน้ากำ น, นันนะ รู้สึกนะเห็นตัวเองเคลื่อนไหวเอายกมือหน่อยยกมือหน่อยเอเห็นตัวเองยกมือนะรู้สึกไว้แค่รู้สึกอะเอามือลงก็เห็นได้ตัวเองกําลังเอามือลงมาเห็นกําลังนั่งอยู่ไหมร่างกายนั่งอยู่เห็นไหมร่างกายกําลังหายใจอย่าไปดูลมนะเห็นร่างกายหายใจดูไปเรื่อยๆร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าดูเรื่อยๆเห็นไหมร่างกายเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้า ร่างกายกับใจเป็นคนละอันกันนะร่างกายมันนั่งอยู่เนี่ยใจเป็นแค่คนรู้ร่างกายมันยิ้มใจเป็นคนรู้ร่างกายมันยกมือใจเป็นคนรู้ร่างกายมันหายใจใจเป็นคนรู้เนี่ยค่อยฝึกอย่างนี้นะทุกวันเนี่ยไปฝึกนะไปฝึกเรื่อยๆนะซ้อมอย่างนี้ทุกวันทุกวันแต่ไปขันขันจะแยกคือร่างกายจะอยู่ส่วนหนึ่งนะใจจะอยู่ส่วนหนึ่งกายกับใจมันจะแยกออกจากกัน พอกายกับใจแยกออกจากกันได้นะมันจะเป็นของที่อัศจรรย์มากเลยความทุกข์มันจะตกหายไปเยอะเลยอย่างเวลาเราแก่เนีเราจะไม่ใช่เราแก่อีกต่อไปนะร่างกายมันแก่ไม่ใช่เราแก่เวลาเจ็บร่างกายมันเจ็บไม่ใช่เราเจ็บเวลาตายร่างกายมันตายไม่ใช่เราตายนะมันจะเปลี่ยนแปลงไปมันจะเกิดความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอะไรนะจิตใจเราไม่เกี่ยวข้องเลยจิตใจสงบสุขจิตใจสบายอยู่ต่างหากร่างกายกับใจจะแยกออกจากกัน พอไหวไหมยิ้มก่อนยิ้มหวานๆเนี่ยสังเกตไหมตอนเรายิ้มใจเราความรู้สึกของเราเปลี่ยนรู้สึกไหมตอนกี้คิดมากเลยหน้านิวคิ้วขมวดเนี่ยพอให้ยิ้มหวานๆใจมันคลายออกเห็นไหมใจมันผ่อนคลายใจมันผ่อนคลายแล้วเราก็รู้สึกตัวสบายๆไปนะเนี่ยบางคนยกมือบางคนเกาใครนั่งแล้วยังไม่เกาเลยมีไหมหายากนะถ้าอยู่ตรงนี้จะเห็นนะ่ะ หลวพ่อเลยเชื่อเลยคนไม่คงมาจากลิงนั่งไม่นิ่งหรอกไปยกไปยิก ก, ยก็ยกกระยิกนะเคลื่อนไหวตลอดไหนๆร่างกายก็เคลื่อนไหวแล้วะรู้สึกมันอย่าให้เคลื่อนไหวเปล่าๆนะอย่าให้ใจทิ้งเปล่าๆอย่านั่งเปล่าๆอย่ายืนอย่าเดินอย่านอนเปล่าๆคอยรู้สึกไปเห็นร่างกายมันทํางานไปนะเนี่ยถ้าเราฝึกได้อย่างนี้นะต่อไปเราจะเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราแล้วต่อไปเราก็หันดูให้ละเอียดลึกซึ้งขึ้นอีกเวลามีความสุขเราก็ดูไป ความสุขก็ไม่ใช่จิตใจนะอย่างขาดเนี้พวกเรามีความสุขไหมเราสังเกตที่ใจเรามีความสุขไหมเนี่ย ใ, ใจมีความสุขเราก็รู้นะรู้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวความสุขจะหายไปจะกลายเป็นความเฉยๆลองดูสิดูดูความสุขที่เกิดขึ้นดูไปเรื่อยๆเห็นไหมว่ามันเริ่มเริ่มเฉยๆละรู้สึกไหมมันไม่สุขอย่างตะกี้ละเอายิ้มใหมย่ยิ้มหวาน อ้าวแล้วตอนนี้ใจแต่กตะกีก้ไม่เหมือนกันแล้วรู้สึกไหมตอนนี้ผ่อนคลายกว่าเมื่อกี้รู้สึกไหมเนี่ยหัดรู้อย่างนี้นะหัดรู้ไปเรื่อยเนี่แหละที่เรียกว่าดูจิตดูจิตอะดูจิตไม่ใช่ไปจ้องอยู่ที่จิตนะถ้าไปจ้องดูมันจะนิ่งว่างไปเลยไม่มีอะไรให้ดูหรอกคําว่าดูจิตดูจิตก็คือจิตมันเป็นยังไงเราก็ค่อยรู้เอาจิตมันสุขก็รู้จิตมันทุกข์ก็รู้จิตมันดีจิตมันร้ายก็รู้นะรู้ uh, เรื่อยๆรูๆๆ้ไปเรื่อยเรืต่อไปมันจะเห็นว่าจิตเองก็ไม่เที่ยงหรอก เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจิตสุขก็ดับจิตทุกข์ก็ดับจิตดีก็ดับจิตโลภจิตโกรธจิตหลงเกิดแล้วดับหมดเลยหัดดูไปด้วยนะนี่เป็นขั้นเจริญปัญญาแล้วนะเห็นไหมการเจริญปัญญาไม่ใช่การนั่งคิดเอานะนั่งคิดเอาไม่ใช่เจริญปัญญาไม่ใช่ภาวนาแลนะนั่งคิดเขาเรียกว่าจินตามายาปัญญาเห็นไหมแอบไปคิดอีกแล้วเห็นไหมไม่ห้ามนะแต่ว่าให้รู้ทันจิตที่ไหลไปคิด เนี่ยถ้าพวกเราสามารถทำได้อย่างที่หลวงพ่อบอกนะเมื่อเรารักษาศีลได้ด้วยการรู้ทันเวลากิเลสมันเกิดเราจะรักษาศีลง่ายพวกเราฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวโดยรู้ทันเวลาจิตที่มันลืมตัวจิตมันหลงไปเรารู้ทันเนี่ยจิตจะอยู่กับตัวพอจิตอยู่กับตัวเองแล้วนั่งดูร่างกายมันทำงานไปเห็นร่างกายมันยิ้มเห็นร่างกายมันนั่งเห็นร่างกายมันหายใจดูมันดูคนอื่น ดูอย่างนี้เรื่อยๆต่อไปปัญญามันจะเกิดไม่จะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราหรอกนะหรือเราเห็นจิตใจจิตใจเดี๋ยวก็สุขจิตใจเดี๋ยวก็ทุกข์จิตใจเดี๋ยว ก, ก็ดีจิตใจเดี๋ยวก็ร้ายดูไปเรื่อยๆเราจะรู้เลยจิตใจเป็นของไม่เทีย่ยงจิตใจเป็นของบังคับไม่ได้สั่งให้สุขมันก็ไม่ยอมสุขห้ามทุกข์มันก็จะทุกข์สั่งให้ดีมันก็ไม่ดีอย่าตั้งใจว่าจะไม่ชั่วนะตั้งใจว่าจะไม่โกรธแล้วก็โกรธเคยไหมตั้งใจจะไม่โกรธแล้วโเคย ใครเคยเป็นไหอตั้งใจจะไม่รักแล้วรักเคยไหมอย่างสาวๆนะให้หนุ่มมาจีบจีบเสร็จแล้วเราพบว่ามันเจ้าชู้นะมันไปจีบคนอื่นด้วยเราก็ตั้งใจต่อไปนี้ไม่รักมันแล้วละ่ะเดี๋ยวมันกลับมาจีบใหม่นะแป๊บเดียวรักมันอีกแล้วเออว่าจะไม่รักก็รักนะว่าจะเกลียดตลอดไปเลยก็ไม่เกลียดนะเนะี่ยใจของเรานะี่ยเป็นของบังคับไม่ได้นะมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การที่เรามาเห็นความจริงของร่างกายการที่เราเห็นความจริงของจิตใจอันนี้แหละเรียกว่าการเจริญปัญญาเห็นความจริงของร่างกายร่างกายมันนั่งร่างกายมันยืนร่างกายมันเดินร่างกายมันหายใจดูเหมือนเห็นคนอื่นไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุไม่ใช่ตัวเราหรือเห็นจิตใจเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเป็นของไม่เที่ยงเป็นของบังคับไม่ได้นี่แหละเรียกว่าการเจริญปัญญา จเจริญปัญญาไม่ใช่นั่งคิดเอานะว่าธรรมะเป็นอย่างนั้นธรรมะเป็นอย่างนี้นั่งคิดเอาเรียกว่าจินตามายะปัญญาไม่ทําให้เกิดมรรคผลออกต้องใช้ภาวนามยปัญญาภาวนามายปัญญาคือเจริญสติตามรู้ของจริงมันไปด้วยจตามรู้กร่างกายตามรู้จิตใจไปด้วยสุดท้ายก็เห็นความจริงนะความจริงมันจะแจ่มแจ้งขึ้นเป็นลําดับลําดับเราจะเริ่มเห็นความจริงเบื้องต้นก่อนว่าร่างกายเนี้ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะร่างกายนี้มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเราจะทดลองดูร่างกายถูกความทุกข์บีบคั้นจริงไหมทุกคนหายใจเข้าหายใจเข้าไปเรื่อยๆห้ามหายใจออกทุกไหมถ้าทุกข์แล้วพยักหน้าแล้วให้หายใจออกได้เอาให้หายใจออกห้ามหายใจเข้าทุกไหมถ้าทุกข์แล้วพยักหน้าทีหนึ่งแล้วหายใจเข้าได้ นึกออกไหมทาไมเราต้องหายใจออกหายใจเข้าแล้วเราหนีความทุกข์ไปเรื่อยๆนะเราหายใจเข้าเราก็ทุกข์นะเราก็หายใจออกหายใจออกแล้วเราก็ทุกข์นะเราก็หายใจเข้าแล้วทําไมเราต้องขยับตัวอยู่เรื่อยๆเพราะมันทุกข์นะนั่งนิ่งๆลองนั่งนิ่งๆเสดียวเดียวก็ทุกข์แล้วมันเมื่อยต้องขยับไปขยับมาเราต้องคอยเปลี่ยนอิริยาบถเปลี่ยนจังหวะการหายใจเปลี่ยนอะไรตออะไรตลอดเวลาเนี่ยเพื่อหนีความทุกข์ เราไม่เคยสังเกตลงในร่างกายนะเราคิดว่าเรารู้จักร่างกายของตัวเองดีแต่เราไม่เคยสังเกตมันจริงๆหรอกร่างกายเนี้ยถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเลยจะหายใจเข้าก็ทุกข์จะหายใจออกก็ทุกข์จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ทุกข์กลางคืนนอนก็ต้องนอนพลิกซ้ายพลิกขวาไปเรื่อยนะเพราะมันทุกข์มันเมื่อยนะบางทีเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทุกข์มากหน่อยนะเนี่ยคอยดูความจริงในร่างกายนะมีแต่ของไม่ดีมีแต่ของทุกข์นะ แล้วก็เหมือนมันเป็นแค่วัตถุเองอะร่างกายนะั้นเรากินข้าวเข้าไปใช่ัหมเดี๋ยวเราก็ขับถ่ายออกไปเราหายใจเข้าเราก็หายใจออกเรากินน้ําแล้วเราก็เป็นเหงือ่ออกไปบ้างอะไรบ้างมีแต่ธาตุนะธาตุไหลเวียนไปเรื่อยดูของจริงลงไปนะในร่างกายนี้เป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุที่มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดดูไปเรื่อยๆวันหนึ่งปัญญามันจะเกิดมัญญัติมันจะเกิดว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรา ร่างกายเป็นแค่สิ่งที่จิตมาอาศัยอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวเนี่ยพอเราหายใจเอายิ้มก่อนยิ้มหวานๆนะเอาแล้วเห็นร่างกายเห็นร่างกายนั่งอยู่เห็นร่างกายหายใจอยู่เนี่ยสังเกตไหมร่างกายนี่เป็นสิ่งที่ใจเราไปรู้เข้าร่างกายกับใจนี่เป็นคนละอันนะถ้าไม่อไรกายกับใจเป็นโคนละานเราจะรู้สึกเลยร่างกายไม่ใช่ตัวเราหรอก มันเหมือนโพรงเหมือนถ้านะเหมือนอุโมงอะไรสักอันหนึ่งที่จิตมาอาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเดี๋ยวเดียวก็เดี๋ย ว, เ ด, ย ว, เ, ดยวเดี๋ยวไม่นานนะก็แตกสลายไปเนี่ยใครดูเรื่อยๆนะเราจะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราส่วนจิตใจก็ไม่ใช่ตัวเรานะเราสั่งไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้นะสั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้ไปดูของจริงดูจนกระทั่งมันแจ่มแจ้งเลยว่าร่างกายก็เป็นแค่ก้อนธาตุเป็นแค่วัตถุ จิตใจก็เป็นของที่สั่งไม่ได้บังคับไม่ได้ใจมันจะรู้ความจริงว่าไม่ใช่ตัวเราหรอกนี่เรียกว่าเรารู้กายรู้ใจมากขึ้นละคือได้เห็นความจริงแล้วกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราถ้าเห็นอย่างแจ่มแจ้งนะแล้วจิตยอมรับตรงนี้ได้จะได้เป็นพระโสดาบันนะพระโสดาบันนี้รู้ความจริงว่าตัวเราไม่มีหรอกร่างกายมีอยู่แต่ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราจิตใจมีอยู่แต่จิตใจไม่ใช่ตัวเรานะนี่ได้เป็นพระโสดาบันะ พระโสดาบันดียังไงพระโสดาบันไม่ตกนรกแล้วนะพระโสดาบันอีกไม่กี่ชาติก็จะถึงพรนะนิพพานแล้วไม่ต้องวนเวียนอยู่ในกล่องทุกข์เรื่อยๆไปนะเราก็มาดูกายดูใจของเราต่อนะหังจากนั้นนะหัดดูกายหัดดูใจไปด้วยเราก็จะเริ่มเห็นความจริงที่ละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปอีกว่าร่างกายเนี่ยที่เราทุกวันนี้เรามีความรู้สึกนะร่างกายเนี่ยเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกไหมรู้สึกใครรู้สึกว่าร่างกายเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้าง ยกมือสิมีไหมที่เหลือเป็นสุขตลอดถ้าเป็นสุขตลอดเนี่ยพวกไม่เคยดูเลยหลงตลอดเวลาเลยไม่รู้เลยว่ามันทุกข์นะพวกเราเนี่ยเรียกว่าเรายังไม่รู้ทุกข์ยังไม่รู้ทุกข์นะเลยไม่รู้ว่าร่างกายเนี่ยเป็นทุกข์ทุกข์มากกับทุกข์น้อยเราไปเห็นว่าร่างกายเนี่ยเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบางเรียกว่าเรายังรู้ทุกข์ไม่แจ่มแจ้ง เคยรู้จักคําว่าทุกไหมทุกสมูทัยนีโรดมักนะทุกคืออะไรทุกก็คือร่างกายจิตใจของเรานี่เองทั้งกายทั้งใจของเราหรือขันห้าของเรานี่เองคือตัวทุกขแต่ว่าเราไม่เคยเห็นว่าร่างกายจิตใจของเราเป็นตัวทุกขเราไปเห็นว่ามันทุกบ้างสุขบ้างก็เรียกว่าเรายังไม่รู้แจ้งอริยสัจเราไม่รู้ว่ากายนี้ใจนี้คือตัวทุกนะอริยสัจ4ี่และข้อแรกคือทุกใช่ไหมอะไรคือทุกใกล้กับใจเนี่ยขันห้านี่แหละคือตัวทุกขนี่เราไม่เคยเห็นหรอก เราจะเห็นได้เราต้องค่อยๆดูไปนะค่อยๆสังเกตร่างกายสังเกตจิตใจไปด้วยดูมันทํางานไปเรื่อยดูอย่างสบายๆดูด้วยจิตใจที่ยิ้มแย้มแจ่มใสอย่าดูด้วยใจที่เคร่งเครียดนะต้องยิ้มบ่อยๆนะพยายามยิ้มไว้เรื่อยยิ้มยิ้มแบ่งมีความสุขแล้วก็มาดูกายดูใจมันทำงานไปนะดูไปสบายๆอย่าไปบังคับมันให้เคร่งเครียดแล้วเราก็จะได้เห็นโอ้ร่างกายนี้มันทุกข์นะร่างกายมันทุกข์ มีแต่ทุกมากกับทุกน้อยตอนไหนทุกมากคนในโลกก็เรียกว่ามันทุกตอนไหนทุกน้อยคนในโลกก็เรียกว่ามันสุขจริงจริงมันไม่สุขหรอกมันทุกตลอดเวลาก็ลองหายใจเข้าก็ทุกหายใจออกก็ทุกแล้วสุขมันจะอยู่ที่ไหนะนี่ยไม่หายใจเหรอแล้ทุกหรือสุขนีจริงจมันทุกอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกอยู่แล้วแต่เราไม่เคยเห็นต่อไปเนี้หัดรู้หัดดูเรื่อยๆนะสุดท้ายปัญญามันเกิดร่างกายนี้เป็นทุกล้น ทุกอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกทุกอยู่ทุกทุกอิริยาบถยืนอยู่ก็ทุกนั่งอยู่ก็ทุกนอนอยู่ก็ทุกเดินอยู่ก็ทุกหายใจออกก็ทุกหายใจเข้าก็ทุกนะเนี่ยเฝ้าดูลงไปนะจนวันนึงเรารู้ทุกแจ่มแจ้งร่างกายนี้เป็นทุกแจ่มแจ้งเลยถ้ารู้อย่างนี้นะจิตจะหมดความยึดถือในร่างกายนะรู้ทุกในระดับนี้จิตจะหมดความยึดถือในร่างกายแนะมันจะรู้ว่าไปยึดทําไมของไม่ดีทุกวันนี้ทําไมเรายังยึดในร่างกายอยู่ เพราะเราคิดว่าร่างกายเนี่ยเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างยังมีโอกาสมีความสุขอยู่แต่ถ้าเราเห็นความจริงนะว่าร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์ล้นลนะมันจะไม่หยุดเลยมันจะหยุดทําไมตัวทุกข์เหมือนเราเห็นถ่านไฟแดงๆแล้วฉลาดพอที่จะรู้ว่าไปจับมันแล้วไฟไหม้มือนะไฟจะเผามือเราก็ไม่จับใช่ไหมอย่างเด็กๆเห็นถ่านไฟแดงๆแล้วนะผู้ใหญ่บอกอย่าไปจับอย่าไปจับนะไม่เชื่อเห็นมันสวยดีไปจับพอ ถ, ถูกไฟลวกเข้าทีหนึ่งวันหลังเรียกให้จับก็ไม่จนะับล้ จิตนี้ก็เหมือนกันนะถ้าจิตเนี่ยรู้ว่าร่างกายเหมือนฐานไฟแดงๆร่างกายนี้เป็นตัวทุกขนะ์จิตจะไม่ยึดคือกายนะมันจะปล่อยวางกายของมันเองมันวางได้เนะเราจะมีความสุขที่มหาศาลมันเป็นภูมิจิตภูมิธรรมของพระอนาคามีนะพระอนาคามีจะไม่ยึดกายแล้วสิ่งที่ประกอบกันขึ้นเป็นกายก็คืออะไรคือตาหูจมูกลิ้นกายเนะนี่ยสิ่งที่ประกอบกันที่เป็นกายพอมีตาก็ไปไปดูรูปนะ มีหูก็ไปฟังเสียงพอไปดูรูปนะก็พอใจในรูปหรือรังเกียจไม่ชอบใจในรูปมีกามีปฏิฆะเกิดขึ้นมีมีราคะโทสะเกิดขึ้นในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสแต่ถ้ากระทั่งตาอย่างไม่รักเลยเราจะไม่รักรูปนะเมื่อเราไม่รักรูปนะเราจะไม่ยินดีในรูปแล้วเราจะไม่ยินร้าในรูปนั้นจะเป็นกลางต่อรูปเมื่อเราไม่ได้ยึดถือในหูนะเราจะไม่รับเสียงแล้วก็ไม่เกลียดเสียง ใจจะเข้าสู่ความเป็นกลางไม่รักไม่เกลียดถ้าไม่รักไม่เกลียดได้นะจะมีความสุขอันมากมายเกิดขึ้นถามจริงๆตอนเนี้ยคนที่นี่ส่วนมากรักกำนันใช่ไหมรักกำนันคิดถึงแล้วกังวลไหมเราเป็น่วงไหมเรารักอะไรนะเราคิดถึงอันนั้นเราก็ก็ทุกข์นะเนี่ยเรานึกถึงคนที่เราเกลียดนะเราก็ไม่สบายใจนึกถึงคนที่เราชอบนะเราก็ยังไม่สบายใจนะอย่างเรารักใครสักคนเราห่วง มีโรคนะใครใครมีโรคบ้างมีไหมเนี่ยมีโรคใช่ไหมคิดถึงโรคห่วงไหมที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกเนี่ยพระเจ้าสอนอย่างนี้นะมีโรคอ่ะ ก, กังวลไหมห่วงไหมหางานทํานะหาเงินแทบตายเลยหวังว่าจะเก็บไว้ให้ลูกใช้ลูกก็ใช้เก่งเหลือเกินหาไม่ทันให้มันใช้พรุ่งใจอีกละนะนะั่มีความรักเกิดขึ้นก็ทุกนะ มีความเกลียดเกิดขึ้นก็ทุกข์นะเนี่ยโฟมจิตภูมธรรมของพระนาคานะไม่รักไม่เกลียดหรอกนะเพราะรู้ว่ารักก็ทุกข์เกลียดก็ทุกข์ร่างกายนี้ยังไม่เอาเลยยังไม่รักเลยนะจะไปรักอะไรกับของข้างนอกนะไม่ได้รักข้างนอกไม่ได้เกลียดข้างนอกเลยนะี่ค่อยฝึกนะแล้วต่อไปเนี่ยการปฏิบัติมันจะเข้ามาสู่จุดสุดท้ายที่อาจารย์มาลาท่านตั้งหรืออาจารย์พิเชษท่านตั้งเรื่องอริยสัจแห่งจิตนะ่ยอริยสัจแห่งจิตเนี่ย เราจะต้องเห็นว่าตัวจิตเนี่ยเป็นทุกข์ล้วนๆอย่างทุกวันนี้เราไม่เห็นนะเราเห็นร่างกายก็ร่างกายสุขบ้างทุกบ้างเราเห็นจิตใจจิตใจก็สุขบ้างทุกบ้างรู้สึกไหมถ้าจิตใจสุขบ้างทุกบ้างนะเราก็ยังยึดถือจิตถ้าร่างกายสุขบ้างทุกบ้างเราก็ยึดถือกายเนี่ยต้องภาวนากันนานเลยนะจนกระทั่งสติปัญญามันแก่รอบจริงๆ yat. มันจะเห็นว่าจิตนี้เป็นตัวทุกข์ ถ้าเห็นจิตเป็นตัวทุกข์เนี่ยเรียกว่ารู้อริยสัจแห่งจิตแล้วอริยสัจข้อที่หนึ่งคือทุกข์อริยสัจแห่งจิตจิตนั่นแหละคือตัวทุกข์ถ้าเมื่อไหร่เรารู้ว่าจิตคือตัวทุกข์นะมันจะสลัดคืนจิตให้โลภนะจะปล่อยวางจะไม่ยึดถือจิตสภาวะของจิตใจเราจะเปลี่ยนไปจิตของเราทุกวันนี้หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงกลับกลอกตลอดเวลานะแต่ตรงที่เราหมดความยึดถือจิตเนี่ยจิตจะไม่ติดไม่ข้องกับอะไรเลยนะ จิตจะเป็นอิสระอย่างแท้จริงไร้ขอบไร้เขตไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งไม่มีการไปไม่มีการมามันจะเต็มอิ่มบริบูรณ์ในตัวของมันเองมันคล้ายๆอิ่มอกอิ่มใจเต็มเหนียวเลยนะมีความอิ่มอยู่ในตัวเองไม่หิวจิตของเราหิวตลอดเวลาเวลาอยากเนี่ยอยู่บ้านอยากมาฟังเทศะอยากมากเลยอยากมาฟังเทศก็กลุ่มใจนะจะมายังไงชวนใครจะไปด้วยอะไรนะ พอมาฟังเทศได้หน่อยหนึ่งอยากกลับบ้านเออนะีใจมันหิวตลอดเวลานะร่างกายเราเนี่ยหิววันหนึ่ง2ครั้ง3าครั้ง4ี่ครั้งแล้วแต่ความตะกระันะแต่ใจเราเนี่ยหิวตลอดเวลาเลยเดี๋ยวก็อยากโน่นเดี๋ยวก็อยากนี่ใจไม่มีความหิวตลอดเลยนะถ้าเรารู้แจ่มแจ้งลงไปนะว่าตัวจิตใจของเราเนี่ยคือตัวทุกข์ถ้ารู้ว่าตัวจิตใจคือตัวทุกข์เนี่ยมันจะหมดความยึดถือจิต เมื่อหมดความยึดถือจิตเนี่ยความหิวโหยในจิตจะไม่เกิดขึ้นงั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนนะว่าเมื่อไร่รู้ทุกเมื่อนั้นจะละสมุทยัยทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยนะเมื่อไร่รู้ทุกเมื่อนั้นจะละสมุทยัยคือละเหตุของทุกขเมื่อไรละสมุทยัยเมื่อนั้นจะแจ้งนิโรธคือแจ้งพนิพพานเมื่อไหร่แจ้งพนิพพานเมื่อนั้นจะเกิดอริยมรรคนะนั้นการรู้ทุกการละสมุทยัยการแจ้งนิโรธ การเกิดอริยมรรคเนี่ยเกิดขึ้นพร้อมๆกันเกิดในขณะจิตเดียวกันเท่านั้นเองหน้าที่ของเรารู้ทุกข์ให้มากนะรู้ทุกข์ให้มากก็คืออะไรคือตรวจทุกข์กายนี้ใจนี้คือตรวจทุกข์รู้ลงไปเรื่อยๆรู้สึกกายรู้สึกใจบ่อยๆถึงวันหนึ่งสติปัญญาแก่รอบขึ้นมาก็าจะเห็นกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆมันหมดความยึดถือกายยึดถือจิตนะความอยากจะไม่มีอีกต่อไป ความอยากที่เกิดขึ้นในใจเราตลอดเวลาที่ใจเราหิวโหยตลอดเวลานีมันเกิดจากการที่เรายัางยึดถือกายยึดถือใจอยู่อย่างเราเห็นว่าร่างกายนี้คือตัวเราเป็นตัวเราของเราเรารักใคร่หัวงแนนหน่เราก็อยากให้มันเป็นสุขอยากให้มันไม่ทุกข์เราเห็นว่าจิตใจนี้คือตัวเราเราก็อยากให้มันเป็นสุขอยากให้มันไม่ทุกข์ความอยากจะรนะ้อยแปนกะกิเลสพ5 0 0ตัหา้8อะไรก็ตามจะ ย่อลงมาแล้วนะมันก็แค่ว่าอยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์มันก็อยากอยู่แค่นี้แหละไปดูหนังไปฟังเพลงเนี่ยเพื่ออะไรหรือไปกินเหล้าเพื่ออะไรก็อยากมีความสุขอยากหนีความทุกข์นั่นแหละใช่ไหมทำอะไรทําอะไรก็อย่างนี้เหมือนกันหมดเลยอยากมีแฟนสักคนอยากมีทุกข์ไหมไม่อยากมีทุกข์หรอกอยากมีแฟนสักคนก็หวังว่าจะมีความสุขมีแฟนแล้วอยากแต่งงานคิดว่าแต่งแล้วจะมีความสุขแต่งแล้วอยากมีลูก บอกว่ามีลูกเราจะทุกข์ไหมถ้ารู้ว่ามีลูกแล้วทุกข์อย่างทุกวันนี้คงไม่อยากมีหรอกใครมีลูกเยอะๆบ้างมีไหย ม, มีกี่คนเฮ้อย่ามาคุยเลยสามคนหลวงพ่อเนี่ยพี่น้องต้องแปดเนี่ยบอนะมีมีลูกเยอะมีภาระเยอะนี่มีภาระเยอะมีทุกข์นะทุกข์แต่เราอย่าไปบอกลูกเรา พ, ราพลัดพรั้งมีไปแนละ้วเรา <c oughs> เลี้ยงไปนะมีอะไรก็ทุกข์ตอนนั้นนะ มีเมียก็ทุกข์พระเมียมีลูกก็ทุกข์พระลูกมีบ้านก็ทุกข์พระบ้านนะมีชื่อเสียงก็ทุกข์พระชื่อเสียงมีเงินก็ทุกข์พระเงินมีสมบัตินไปไหนไม่ได้ต้องคอยเฝ้าบ้านไว้จะเอาเงินไปฝากธนาคารก็กลัวธนาคารล้มอีกแล้วจะฝังไว้ที่บ้านก็กลัวคนมาแอบขุดอีกมีอะไรก็ทุกข์กันนั้นแหละดน้นมีก่ยมีก่ก็ทุกข์พระกายมีใจก็ทุกข์พระใจ นึกถึงตอนที่ผมงอกเส้นแรกขึ้นมานึกออกไหมตอนที่ผมงอกเส้นแรกเกิดขึ้นมารู้สึกสะเทือนใจไหมหรือภูมิใจอุ้หงอกแล้วงอกแล้วไ ม, ไม่ไม่ภูมิใจเลยเนาะไม่อยากมีเลยไหมเนี่ยมีกายแล้วทุกข์เพราะกายใช่ไหมกายมันแปรปรวนมันแก่แล้วทุกข์นะเวลามันไม่สบายก็ทุกข์นะกลุ่มใจอยากให้มันหายเนะนี่ยเราคอยดูนะดูความจริงลงไป ถ้าเราเห็นกายนี่เป็นทุกข์ล้วนๆใจนี่เป็นทุกข์ล้วนๆเรียกว่าเรารู้อริยสัจเรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งแล้วความอยากจะไม่เกิดขึ้นอีกความอยากมีขึ้นได้เพราะเราไม่รู้ทุกข์เมื่อความอยากไม่เกิดขึ้นจิตใจจะมีความสุขนะจิตใจไม่หิวโหยจิตใจเต็มอิ่มนะจิตใจที่ไม่มีความอยากนั่นะแหละเรียกว่านิพพานนะสภาวะนิพพานนะคือสภาวะที่สิ้นความอยากนิพพานไม่ใช่จิตนะ นิพพานไม่ใช่จิตนะจิตก็ส่วนจิตนิพพานก็นิพพานแต่ว่านิพพานนะไม่เป็นสิ่งที่จิตซึ่งหมดความอยากแล้วเนี่ยมันจะไปสัมผัสพระนิพพานพระนิพพานเป็นสภาวะที่สิ้นความอยากสิ้นความหิวโหวยในใจใจเราหิวตลอดเวลาพอจะดูออกไหมอยากโน้นอยากนี่นะวันหนึ่งเป็นร้อยครั้งพันครั้งเลยเนี่ยถ้าใจเราพ้นจากความอยากนะมันเต็มมันอิ่มอยู่ตลอดเวลามันมีความสุขนะ ค่อยๆรู้ทุกข์นะรู้กายรู้ใจไปวันหนึ่งก็ละความอยากไปก็ละความอยากได้นะใจมันเต็มมันอิ่มบริบูรณ์อยู่ในตัวเองนะมนสัมผัสพระนิพพานคือสภาวะที่พ้นจากความอยากพ้นจากความดิ้นรนปรุงแต่งนะพ้นจากการที่เข้าไปยึดไปถือกายยึดถือใจไม่ยึดอะไรสักอย่างใจมันจะว่างสว่างบริสุทธนะิ์หลวงปู่ดูลท่านใช้ว่าว่างสว่างบริสุทธิ์ ยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างท่านสอนอย่างนี้มีความสุขมากเลยคนใจที่มีภาระเครื่องพัลุงพลังมากก็มีความทุกข์มากนี่เราจะมีเครื่องพลุงรังมากแค่ไหนก็อยู่ที่ว่าเรา ย, ยึดยุ้ยแค่ไหนอยากแค่ไหนยิ่งอยากมากยึดมากก็เครื่องพัลุงพลังมากอยากน้อยยึดน้อยนั้นเครื่องพัลุงพลังก็น้อยนะหมดอยากหมดยึดมันก็ไม่มีอะไรที่จะพลุงพลังในใจเรา มีความสุขมีความเต็มอิ่มอยู่งั้นเราจะเข้าถึงอริยสัจแห่งจิตได้สุดท้ายเนี่ยเราจะเห็นแจ้งตรงที่เห็นจิตนี่คือตัวทุกข์หมดความยึดถือจิตนะแล้วก็จะหมดความที่หน่นปรุงแต่งโดยสิ้นเชิงเลยอันนี้ไม่มีภาษามนุษย์จะบรรยายได้ต้องภาวนาวนะ่ต้องภาวนาวให้เห็นด้วยตัวเองเราเห็นตอนนี้เรายังเห็นไม่ได้หรอสภาวะที่สิ้นอยากสิ้นทุกข์ ให้เราแค่รู้ว่าตอนนี้มีความอยากเกิดขึ้นให้รู้ทันนะพอมีความอยากเกิดขึ้นเรารู้สิรู้เข้าไปที่ใจเราเห็นในใจที่มีความอยากมันมีความทุกข์ทันทีเลยพอความอยากดับไปนะความทุกข์ก็ดับไปนี่ลิ้มรสของความดับทุกข์นะเล็กๆเล็กๆไปก่อนต่อไปนีจิตมีสติปัญญาแก่รอบจริงๆนะมันหมดความยึดถือจิตพอหมดความยึดถือจิตนะไม่มีภาระทางจิตอีกต่อไปแล้วนะ ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยไม่มีอะไรที่จะต้องดูแลรักษาอีกต่อไปแล้วถามว่าทาชั่วได้ไม่ทําไม่ได้นะจะทําทไม่ได้เลยเกระทั่งดียังไม่ทํานะไม่ทําชั่วแนะ่นอนเลยนะต้องฝึกนะอริยศาสตร์แห่งจิตจริงๆ เ, เมื่อเมื่อไม่กี่วันนี้หลวงพ่อก็เทศให้คนที่วัดฟังอยู่แต่ว่าพวกเราในนี้จํานวนมากเลยยังไม่เคยฟังหลวงพ่อเทศถ้าเทศอย่างลึกเกินไปเดี๋ยวจะเข้าใจยาก อย่าคำว่าปูดุลท่านสอนนะสภาวะที่มันพ้นไปแล้วเนี่ยว่างว่างไม่ใช่ว่างเปล่านะว่างจากกิเลสว่างจากความปรุงแต่งว่างจากทุกข์นะว่างจากขันว่างจากกายจากใจคำว่าว่างไม่ใช่ว่างเปล่าสว่างสว่างเป็นเรื่องของปัญญาจิตมีปัญญาแจ่มแจ้งรู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเลยโลกคือกายใจนี้แหละคือโลกมีแต่ทุกข์ว้วนๆเลยนะจิตใจวางลงไปนะจิตใจสว่าง ปลอดโปร่งไม่มืดไม่มัวมืดมืดมัวมัวเป็นโมหะนะจิตใจสว่างเป็นอามโมหะเรียกว่ามีปัญญานะว่าสว่างบริสุทธิ์บริสุทธิ์นะไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยนะก็มีความบริสุทธิ์นั่นแหละนะหยุดความปรุงแต่งไม่มีความยินลนลปรุงแต่งเลยเพราะมันไม่หิวนะหยุดการสแสวงหาการสแสวงหาคือตัณหานะความปรุงแต่งก็คือสังขารนะความปรุงแต่ง พ้สังขารเรียกว่าวิสังขารคือชื่อของนิพพานไม่สแสวงหานะก็เรียกว่าวิราคะไม่มีราคะไม่มีตัณหาหยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาว่าสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการสแสวงห า, า, ง า, ง ห, ยางงหยุดกริดกริยาของจิตสังเกตไหมจิตใจของเราวิ่งไปวิ่งมาตลอดมีกิริยามีอาการตลอดจิตพระอรหันต์ไม่มีการวิ่งไปวิ่งมานะไม่มีกิริยา ไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างนะแต่มีอะไรมีความไม่มีอะไรนะเหลืออะไรเหลือธรรมลุ้นๆ้นเลยเหลือนิพพานนะครูบาอาจารย์มาองท่านบอกสิ้นโลกเหลือธรรมแม่อริยสัจแห่งจิตจริงๆลึกนะะก็ต้องทุกข์สมุทยัยนิโรธมรรคเนี่ยเรื่องของนิโรธตัวเดียวเนี่โอ้ยประณีตมากเลยแล้วไม่จําเป็นที่เราต้องเรียนตอนนี้หรอกเอาไว้ค่อยไปเห็นด้วยตัวเองดีกว่าให้รู้ทุกข์ให้มากเถอะ จนลาสโมูไทยนะเกิดอริยมรรคเนี่ยเดี๋ยวจะแจ้งนิโรธเองนะแล้วสิ่งที่หลวงพ่อบอกเนี่ยมันจะขึ้นมาอยู่ในใจเราจะประจักษ์ด้วยตัวเองเลยนะไม่ต้องไม่ต้องอาศัยความเชื่อนะไม่ต้องอาศัยศรัทธาแต่เห็นด้วยตัวเองนะเพราะฉะนั้นเบื้องต้นสรุปนะต้องถือศีลห้าไว้คอยรู้ทันใจตัวเองไว้กิเลสอะไเกิดรู้ทันจะมีศีลห้าจิตฟุ้งซ่านไปคอยรู้ทันจะมีสมาธิ เห็นกายมันทํางานเห็นใจมันทํางานเราจะเกิดปัญญานะถ้าศีลสมาธิปัญญาแก่รอบแล้วจิตจะสลัดคืนหมดความยึดถือกายยึดถือใจเกิดวิมุตตนะ์ความหลุดพ้นเกิดขึ้นเราจะเข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงนะคือพระนิพพานนิพพานไม่ใช่โลกอุดมกตินะนิพพานมีอยู่จริงๆแต่ใจที่มีความหิวโหวยมีความอยากนั่นะมาเข้าไปไม่ถึงนะนั้นต่อไปนี้เราพยายามฝึกนะรู้เท่าทันกิเลส ใจิตใจฟุ้งไปคอยรู้ดูกายดูใจทํางานไปเรื่อยเหีือววันหนึ่งจะสัมผัสสิ่งที่หลวงพ่อบอกเนี่ยหลวงพ่อสอนไปเรื่อยนะแล้วมีคนมาหาหลวงพ่อมาขอบคุณอยู่เรื่อยๆขอบคุณหลวงพ่อเนี่ยได้ฟังซีดีได้ฟังธรรมะนะจิตใจเปลี่ยนไปแล้วรู้เลยว่าที่หลวงพ่อสอนเนี่ยมีจริงๆนะนั่นขนาดยังไม่ได้ว่าเป็นพระอรหันต์นะเริ่มปฏิบัติไม่นานก็เริ่มเห็นความจริงของตัวเองแล้ว ว่าที่หลวงพ่อบอกให้เนี่ยไม่ใช่เรื่องเลื่อนลอยเลยเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ด้วยตัวของตัวเองอยู่ที่ว่าเราใจแข็งพอจะพิสูจน์ไหมวันๆเอาแต่สนใจเรื่องของคนอื่นเรื่องของสิ่งอื่นไม่สนใจตัวเองไม่สนใจร่างกายไม่สนใจจิตใจตัวเองไม่คอยรู้คอยดูมันก็ไม่เข้าใจธรรมะอยู่นั่นแหละธรรมะมก็มีแค่รูปประธรรมกับนามธรรมก็คือกายกับใจของเรานี่แหละคอยเรียนไว รู้แจ้งในรูปธรรมนามธรรมวางรูปวางนามได้ก็เจอพานิพานก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรหรอกนะเอาแล้วเราเทศธรรมเนี่ขนาด น, นี้ก็พอแล้วนะพอถึงนิพานแล้วนี่บอกใ ห, ตตห้ตั้งแต่เบื้องต้นเลยเห็นไหมว่าทำไงจะมีศีลตั้งแต่พื้นฐานเลยนะเป็นชั้นชั้นไปทายยําไงจะมีสมาธิทําไงจะเดินปัญญานะจนเราทั้งรู้อริยสัจ ท, ที่แรกก็รู้รศาสตร์ทั่วทั่วไปนะ รู้กายรู้อะไรไปสุดท้ายเข้ามารู้อริยสัจของจิตเห็นเลยจิตในตัวทุกข์เลยรู้อะไรความอยากเกิดขึ้นเมื่อไรความทุกข์เกิดเมื่อนั้นอันนี้ยังเบื้องต้นนะในขั้นสูงเนี่ยมีจิตก็มีทุกข์เลยจะอยากไม่อยากก็ทุกข์แล้วล่ะแค่มีจิตอยู่ก็ทุกข์แล้วไม่ใช่ต้องอยากแล้วทุกข์แลมีจิตอยู่ก็ทุกข์แล้วท่านถือว่าจิตก็คือตัวทุกข์กายก็คือตัวทุกข์ไม่ใช่ต้องอยากก่อนแล้วทุกข์นะถ้าอยากก่อนแล้วทุกข์นั่นเป็นธรรมะชั้นอยากขึ้นมาแล้ว ค่อๆฝึกไปเดี๋ยววันนึงก็เห็นนะเอาละใครจะส่งกันบ้านเชิญกรรบนรมาศการหลวงพ่อค่ะว่าไงโยมปฏิบัติทำมาแต่ทําไม่ทราบจะได้หรืเปล่าว่าโยมปฏิบัติพุทโธแล้วจิตมันว่างพอว่างแล้วก็เดี๋ยวมันก็โวูบไปแล้วบางครั้งมันก็เหมือนกับโยมจะหลับไปอย่างนั้นล่ะค่ะอย่างนั้นมันสงบเฉยๆมันจะไม่เดินปัญญาบางครั้งโยมเหมือนกับ จะหลับไปอย่างนั้นเลยนั่นแหละนะสมาธิชนิดสลบไม่ใช่สงบอย่างเดียวนะมันเหมือนสลบโยมอยากให้หลวงพ่อชี้แนะค่ะว่าจะทํำยังไงต่อดูกายไว้แต่ไปนี้ดูร่างกายให้มากถ้าเราทําสมาธิชนิดที่สงบเงียบเงียบมานานว่างว่างมันานนะอยู่ๆจะไปดูจิตเนี่ยไม่ได้ให้ดูร่างกายเห็นร่างกายพยักหน้าเห็นร่างกายเดินเห็นร่างกายปัดบ้านเห็นร่างกายซักผ้า เห็นร่างกายอาบน้ำเห็นร่างกายกินข้าวน ะ, ค, ะ, อะคอยดูร่างกายมันทำงานทั้งวันเลยอย่าไปปล่อยใจว่างๆเฉยๆอยู่ดูกายเขาไ ป, ไปะน ะ, ะดูจนเห็นเลยกายมันทำงานไม่ใช่เราหรอกร่างกายมันทำงานไม่ใช่ตัวเราดูอย่างนี้น ะ, ะ, ะแล้วถึงจะไปต่อได้ไม่งั้นโยมก็สงบอยู่เรื่อยๆไป <c oughs> ขอบพระคุณพะเจ้ค่ะเมื่อก่อนหลวงพ่อก็ทาสมาธิทาสมาธิสงบนะ ตั้ง แ, แต่เจ็ดขวบจนอายุย9สิบเก้าสงบไม่มีปัญญาหรอกเอาว่ามาวันนี้ภาวนาเป็นแล้วถามอะไรอีกเหรอเหอเห็นไหมกายกระใจเป็นคนละอันครับ <c oughs> เออแล้วจะมาถามอะไร <c oughs> เห็นไหมสุขทุกข์ดีชัว่วกระใจก็นคนละอันนานๆได้คุยกับหลวงพ่อครับหาเรื่องคุยเนี่ยอย่างนี้เออไม่ได้มีปัญหาสังเกตไหมว่าใจเราอยู่กับตัวเองครับ <c oughs> แต่เราไม่ประคองนะจิตที่ถึงฐานจิตที่เป็นตัวรู้แล้วเนี่ยยังมีสองแบบคือถ้ามันเผลอแล้วเรารู้นะมันจะได้ตัวรู้ที่ถูกต้องมันจะเบาอ่อนโยนนุ่มนวล น, นะครับแต่ถ้าเราไปจําได้ว่าตัวรู้เป็นอย่างนี้เราจงใจทําะตัวรู้นี้จะแข็งถ้าตัวรู้นี้แข็งทื่อๆเนี่ยไม่เอาเลยทําผิดแล้วแล้วเราไม่ทราบว่าผมจงใจอยู่บ้างไหมครับอะไรนะเราไม่ทราบว่าผมยังจงใจอ ย, อยู่ไหมครับยังจงใจประคองเมกี้ไม่จงใจแต่ตอนนี้จงใจ ครับครับตะกี้มเป็นธรรมดานะทําถูกแล้วล่ะจิตก็ถึงฐานดีครับขอบคุณครับถึงฐานได้เราก็ดูมันทํางานไปด้วยนะเห็นไหมมันทํางานได้เองดูออกไหมดูออกครับเออแล้วมันทํางานได้เองนะไม่ใช่เราหรอกดูไปจนวันหนึ่งเนี้ยจิตมันยอมรับความจริงว่าตัวเราไม่มีหรอกนะแต่ตอนนี้มันยังไม่ยอมมันก็ยังเสียดายอยู่นั่นแหละมันยังไม่ยอมหรอกมันยังเสียดายครับถ้ายอมแล้วมันก็เป็นพระโสดา นมิสการค่ะหลวงพ่อมาจากหาดใหญ่ตื่นเต้นไหมมากเลยค่ะโอ้ตื่นเต้นแล้วทาไงดีเห็นเห็นไหมเห็นใจมันดิ้นไหมเห็นคำมันเต้นตุ้มตุมเนาะเอขินเอนี่ยดูมันไปดูมันเขินเห็นไหมดูมันเขินมันบิดไม่บิดม้านะเรารู้นะเออเนี่ยมันพยักหน้าเรารู้เมื่อกี้อยากพูดรู้สึกไหมเวลาอยากพูดมันมีแรงดันขึ้นตรงเนี้ยดันขึ้นกลางหน้าอกเลยเนี่ยรู้ไม่จ้องนะ พุดขึ้นมาเรารู้ไม่จองแล้วก็เป็นคนฟุ้งซ่านเยอะช่วงนี้ก็หลงโลกด้วยโอ้โลกอย่าไปหลงมันเลยโลกมีแต่ทุกข์น ะ, ะเอาใหม่นะกับปีนี้อยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอะไรก็ได้ไะ่ติดปีสุขก็ได้ใช่ไหมคะได้พุทโธพุทโธไปแนละ้วจิตหนีไปแล้วรู้ไม่งนจิตจะฟุ้งซ่านเกินค่ะหนุ่มที่ส่งกันบ้านแล้วหลงละหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่นะ จะอยู่กับพุโทโธอยู่อะไรก็ได้นะแล้วก็รู้สึกตัวบ่อยๆอย่าให้หลงยาวหลงยาวไปหลงไปทําอะไรรู้ไหมหลงไปคิด <c oughs> ใช่ไหมใช่ค่ะหลงไปอยู่ในโลกความคิดเยอะนั่นแะไปอยู่ในโลกของความคิดความคิดไม่ใช่ความจริงแล้มาอยู่ในโลกของความเป็นจริงนี่นะแล้วก็มีอะไรแนะนําอีกไหมคะนี่ไงใ ห, ให้มาอยู่ในโลกของความเป็นจริงนะ <c oughs> พุโทโธไปจิตหลงไปในความคิดรู้ทันกลับมาพุโทโธใหม่จิตหลงไปอีกรู้ทัน นะขอบพระคุณค่ะ ก, ก, การนมัสการหลวงพ่อค่ะวันนี้อยากจะสอบถามหลวงพ่อค่ะว่าที่ปฏิบัติมาเนี่ยหนูปฏิบัติได้ถูกต้องหรือเปล่ามีความรู้สึกเหมือนกับเราจะเห็นทุกข์บ่อยขึ้นแล้วก็ทุกข์บางครั้งก็ทุกข์มากบางครั้งก็ทุกข์น้อยเรายังเกลียดเรายังเกลียดทุกข์อยู่นะ ให้เรารู้ทันใจว่าใจไม่เป็นกลางกับทุกข์ใจยังเกลียดมันอยู่ <Okay. S 2> ให้รู้ด้วยความเป็นกลางไปเพราะทุกข์เนี่ยเป็นของที่เราหนีไม่ได้ท <Okay. S 2> ุกข์เป็นของคู่อยู่กับชีวิตเรา <Okay. S 2> กายนี่ตัวทุกข์ใจนี่เป็นตัวทุกข์ไปไหนก็มีกายมีใจใช่ไหม <Okay. S 2> หนีไม่ได้อะไม่ต้องอยู่กับมันให้ได้ <Okay. S 2> อย่าไปเกลียดมัน <Okay. S 2> นะให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบทุกข์รู้ตัวนี้บ่อยๆนะแล้วใจจะเป็นกลางขึ้นมา แล้วหนูจะต้องทำยังไงต่อบ้างคะเพราะว่าบางครั้งมีความรู้สึกว่าความอยากของเราเนี่ยมันมันครอบคลอบงำเราแบบโดยสิ้นเชิงเลยค่ะให้รู้ทันเนี่ยน ะ, ะให้รู้ทันใจมันเกลียดทุกมันอยากจะไปให้พ้ น, พ, นพ้นไปอะไเนยะให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบอะ่ะไม่ชอบทุกอะ่ะดูตัวนี้เป็นตัวหลักเลย<ช>ตัวนี้แหละเป็นตัวบงการพฤติกรรมของเราค่ะก็หนูต้องดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ค่ะ จนกระทั่งใจเราไม่ถูกอะไรครอบงำนะตอนนี้ใจเราถูกโทสะครอบงำมันไม่ชอบมันไม่ชอบดูบ่อยๆเดี๋ยวใจก็เป็นอิสระก็หลวงพ่ออยากจะให้หนูต้องทำไงต่อบ้างคะหมายถึงดูตัวนี้อย่างเดียวหรือว่าดูศีลห้าต้องรักษาทุกวันทำในรูปแบบแบ่งเวลาไว้สิบนาทีอะไรเงี้ยไว้พระสวนมนไปแล้วก็ คอรู้ทันจิตใจของเราไปหมาะกัการดูจิตนะเพราคิดเก่งใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ไม่หลอกหรอกเห็นหน้าก็รู้เลยวฟุ้งซ่านเยอะด้วยอะค่ะะแล้วก็ดูใจที่หงดหงิดอ่ะไม่ฟุ้งอย่างเดียวเรียกฟุ้งซ่านลาคาญใจเอให้รู้ทันใจฟุ้งซ่านรู้ใจลาคาญรู้นะเนี่ยฝึกอย่างนั้นให้มากก็ที่หนูฝึกมานี่ถูกทางแล้วใช่ไหมคะตามสุกแล้วล่ะก็ดีขึ้นเรื่อยๆเลย า ก, บบการในพิธีการค่ะหลวงพ่อตื่นเต้นคือครั้งแรกที่ได้มาปฏิบัติธรรมคือได้ดูในหนังสือนะคะดูหนังสือแล้วก็ชอบเกี่ยวกับอ่านความรู้เรื่องธรรมแล้วก็ครั้งแรกที่คือตั้งจิตอธิษฐานนะคะคือเป็นคนชอบตั้งจิตอธิษฐานก็ไปเปิดเห็นของอาจารย์นะคะแล้วก็คือเคยอ่านมาแล้วแต่มันไม่ตรงกับจริตของ ของโยมเค่ะเสร็จแล้วก็ไปฟังของพระอาจารย์แล้วก็เพียงไม่กี่วันเองค่ะรู้สึกว่าฟังทุกวันนะคะแล้วก็มันเกิดเกิดแบบตกใจเลค่ะคือรู้หมายถึงว่าพอะควังตอนนี้รู้ว่าแยกกายแยกใจนะคะแล้วก็ทีนี้มันมีนิมิตอะไรต่างๆนั่งนะคะอยู่ในรูปแบบแล้วก็สีหน้าอยู่แล้วก็มีนิมิตแปลกๆและเป็นความจริงไคะ่ะ เป็นความจริงบางทีก็ตรงกับเพื่อนรอบข้างแล้วก็เขามามาติดต่อแล้วก็สามารถบอกเขาได้แล้วก็รู้เป็นความจริงค่ะ อ, อ, อืแล้วก็ทีนี้ถ้าเกิดว่าเวลาปฏิบัตินะคะกายของเราเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นภูมมแพ้เป็นภุมแ ม, ภมแพ้เวลาจามอะไรเนี่ยมันจะจามอยู่แต่พอราเรารู้ว่าเออนี่กายไม่ใช่ของเรานะ มันหยุดหายจามเลยค่ะโล อ, อ, อแปลกแต่<ร>พ่อยังจามาอยู่เลยไม่เพราะว่าเพราะว่าจิตเราลองลองจิตตัวค่ ะ, คะลองดูเออนี่ไม่ใช่นะไม่ใช่แต่สามารถหยุดหยุดได้แต่ถ้าเราปล่อยนี่มันจะจังจามนะคะแล้วก็ทีนี้เกิดว่าลักษณะที่ว่าพออธิษฐานจิตอะไรมันจะได้ดัง่งดังใจมันมันมันเป็นการผิดไหมคะไม่ผิดหรอกแต่ว่ามันไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์นะมันทําให้เราเพลิดเพลินกับโลกอะ แลนะ้ถ้าเราอยากพ้นทุกข์จริงๆนะไปดูไปร่างกายมันทํางานจิตใจเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายดูตรงนี้นะส่วนที่จะไปรู้อดีตรู้อนาะคต ร, รู้เรื่องคนอื่นไม่สําคัญหรอกค่ะนะหมายถึงว่าเวลามีอะไรที่มากระทบจิตนะคะก็ตอนแรกไม่ไ ม, ไม่ไม่รู้ตัวแต่ตอนนี้พอรู้พออะไรมากระทบเราก็หยุดไปเลยค่ะหยุดว่าโอ้นี่นี่เรากวดแล้วนะเอออ่ามันปว ด, ดเลยนะแล้วก็เวลาเดินไปไหนนี้เราจะ มันจะดูจิตกับดูกายนี่ <c ười> อันไหนที่เหมาะสมกว่าคะอาจารย <c ười> ์ออดูไปบ่อยๆดูจนเห็นมันเห็นคนอื่นนะดูกายเหมือนเห็นกายคนอื่นดูจิตเหมือนเห็นจิตคนอื่ น, นะดูอย่างนั้นบ่อยๆแล้วลักษณะที่เกี่ยวกับท่า น, นอธิษฐานจิตนี้มันจะเป็นความจริงไหมคะถ้าเกิดว่าไม่อยากจะมาเกิดแล้วเกิดแน่นอนเลยอยิ่งอธิษฐานเก่งนี้ยิ่งเกิดเก่ง แล้วภาวะนี้ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อยู่ตรงนี้จะทำจิตยังไงคะรู้สึกกายรู้สึกใจได้อย่าไปเอาอันอื่นดูกายดูใจของเราอย่าไปดูเรื่องโน้นเรื่องนี้ถ้าเราดูของนอกนี่เราจะไปเกิดอีกแล้วสภาวะจิตใจคือหนูจะหมาะกับกายหรือจิตคะดูต้องดูทั้งสองอันแล้วเพราะว่ามันฟุ้งเก่งดูจิตอย่างเดียวไม่ไหวอ้อ ถ้าดูสองแบบอยู่ค่ะแต่บางครั้งถ้าดูแล้วก็สามารถตรงนี้ต้องดูกายให้เยอะดูกายเยอะกว่าจิตใช่ไหมเพราะจิตเนียฟุ้งเก่งดูกายไว้ก่อนยังดูจิตไม่ไหวถ้าลักษณะที่เรามองคนอื่นนี่ค่ะสามารถแทนที่จะไปดูคนอื่นเราคอยดูตัวของเราดูตัวเราเองดีกว่าอย่าไปดูคนอื่นนะดูคนอื่นดูง่ายดูของเราเองยากนะดูคนอื่นเกิดกิเลส ดูของเราเนี่พ้นกิเลสแล้วมันเป็นลักษณะไหนคะถ้าเกิดว่าเราดูเราเห็นมองเห็นคนอื่นแล้วก็เป็นทำมาสอนเราอ๋ออย่างนี้ผิดนะอย่างนี้ตัวให้รู้ทันว่ากําลังฟุ้งซ่านอยู่อ๋ออย่างนั้นฟุ้งซ่านใจกําลังฟุ้งซ่านอยู่คิดธรรมะใหญ่เลยระวังนะฟุ้งเก่งอให้คนอื่นบ้างะเดี๋ยวหลวงพ่อไปขึ้นระบิดไม่ทันนมัสการหลวงพ่อครับคือรู้สึกว่าจิตมันฟุ้งซ่านเยอะครับแล้วก็ไม่มีกําลัง อยากให้หลวงพ่อช่วยแนะนําว่าจะปฏิบัติวิธีไหนดีดีครับถ้าถ้าเราทำทุกวันนะทําในรูปแบบถึงเวลาไหว้พระสวดมนต์นั่งหายใจไปหรือเดินจงกรมไปนะทําไปเรื่อยๆกําลังมันก็มาถ้าเรานานๆทําทีก็ไม่มีแรงคือต้องทําอยู่เรื่อยๆอย่างนี้ต้องทำทุกวันนะครับครับต้องทําทุกวันนะจิตถึงจะมีกําลังก็หายฟุ้งซ่านด้วยไหมครับอยู่ใกล้ๆหลวงพ่อเดี๋ยวก็หายฟุ้ง ไม่ค่อยมีใครคลาฟฟูอยู่ใกล้ๆแล้วก็ถ้าปฏิบัติบ่อยๆนี่ก็จิตก็จะมีกําลังเองใช่ไหมครับใช่จริงๆจิตของโยมมีแรงอยู่นะครับจิตไม่ได้ว่าอะไรกําลังสียทีเดียวหรอกหายใจแล้วรู้สึกตัวเห็นร่างกายหายใจอย่าดูลมหายใจนะเห็นร่างกายหายใจคือมันมักจะดูลมหายใจจะเปลี่ยนซะมากกว่าเห็นร่างกายหายใจไม่ได้ไปดูลมหายใจครไปปรับตัวนี้ซะนะแล้วสมาธิจะดีขึ้นอ๋อครับ น้องส ก, กันค่นหลวงพอ่อคือของลูกี้เริ่มฟังซีดีของหลวงพ่อปีที่แล้วถึงก็ถึงก็ช่วงนี้มันตลอดที่ผ่านมาก็คือมีของของคลื่นหนึ่งของนครอนะคะที่เปิดซีดีหลวงพ่อทุกหัวทุกหัวรุ่งเลยคือประมาณที่ห้าหนูก็นั่งนั่งสมาธิฟังบ้างก็นอนฟังบ้างตามภาษานะถึงก็ คือที่หนูทาอยู่ก็คือมีสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิฟังหลวงพ่อให้ธรรมะค่ะถึงอยากขอความเมตตาวะฉีกเกล็ดไม่ว่าใจเราเปลี่ยนไปดูออกไหมใจเราไม่เหมือนเดิมแล้วละนะเราค่อยๆดูไปนะเราเห็นเขาทํางานได้เองเขาเปลี่ยนแปลงได้เองกายกใจก็คนละอันดูออกอยังมันเริ่มแยกและความรู้สึกกต่ใจก็คนละอันมันเริ่มแยกออกละนะพอมันแยกออกไปเราดูมันทํางานไปด้วยสุดท้ายจะเห็น ความจริงนะตัวเราไม่มีหรอกมีแต่กายมีแต่ใจแต่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่มาอาศัยอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองที่ฝึกใช้ได้นะไปทำอีกดูกายดูจิตดูเน้นไปทางไหนคะดูกายหรือดูจิตอะไรเด่นเอาอันนั้นแหละเราไม่ได้ต้องดูอันเดียวหรอกคือจริงๆเราไม่ได้ดูกายจริงๆไม่ได้ดูจิตหรอกนะ<ม>ในขั้นเจริญปัญญาจริงๆเราดูไตรลักษณ์ แล้วรักแสดงอยู่ที่กายแสดงอยู่ที่จิตตอนไหนมันเด่นที่ไหนรู้ตรงนั้นน่ะหอ้สายกายสายจิตอะไรที่เถียงเถียงกันนะมันขั้นเบื้องต้นหรอกนะแต่ว่าพอเจริญสติเป็นแล้วไม่มีสายนะเพราะบางทีมันก็รู้กายบางทีมันก็รู้จิตแต่รู้กายก็เห็นไตรลักษณ์รู้จิตก็เห็นไตรลักษณ์นั่นเราเห็นไตรลักษณ์เราไม่ใช่เห็นอย่างอื่นเห็นไหมมันทํางานได้เองดูออกไหมมันทํางานได้เองเห็นไหมมันคิดได้เอง ตื่นเต้นมากไปต ก, ตกเออภาวนาถูกแล้วล่ะแต่ว่าตื่นเต้นจนมันจะเออไปแล้วไม่ได้ใช้ได้นี่านาวนะดีแล้วล่ะอ่ะอะต่อไปเนี่ยส่งใหม่นะเหมือนยกภูเขาออกจากอกนะห้าไปไนตามน้ำมัตาการหลวงพ่อเจ้าการเอ อ, อคนนี้<อ>สิไม่ค่อยกลัวเท่าไหรอ่อ่ะ ขอความเมตตาจากหลวงพ่อปกติยอมเป็นคนชอบปฏิบัติในรูปแบบนะครไปไปหมดเลยเจ้าค่ะทั้งพุทธโธยุบหนอพองหนอทีนี้ไปตรงไหนครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าให้ทิ้งของเก่ายมก็ทิ้งแต่ไปไปทุกที่ก็มีความสุขทุกที่ชอบชวนคนไปทำบุญชอบไปปฏิบัติ ยิ่งปฏิบัติก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองยิ่งสับสนไม่ทราบว่าจะเอาตรงไหนกันแน่นะเจ้าข่ะ <c oughs> เรียนหลายที่ก็สับสนแหละธรรมดา <c oughs> จับหลักที่หลวงพ่อสอนให้แม่นนะมีสตินะพอมีสติแล้วจะดูท้องของยุบนะมันก็เห็นร่างกายไม่ใช่เรามีสติอยู่รู้ลมหายใจมันก็เห็นในตัวที่หายใจอยู่ไม่ใช่เรา ก็กรรมฐานอะไรก็ได้นะขอให้มันรู้สึกตัวเป็นให้ใจมันตั้งมัน่นขึ้นมาเป็นคนดูให้ได้มันเหมือนกันหมดแหลนะนี่ถ้าเราจับหลักไม่ได้เราก็ไปดูแต่รูปแบบรูปแบบที่นี่ทําแบบนี้รูปแบบที่นี่ทําแบบนี้ไม่เหมือนกันเลยงงงั้นเอาหลักนะนเอารู้สึกตัวให้ได้กันรู้สึกตัวแล้วก็ดูกายเ้าทํางานดูใจเขาทางานเงนะ้นกรรมฐานอะไรก็ใช้ได้เหมือนกันหมดเลยที่ปฏิบัติอยู่ใช้ได้ไหมชใช้ ไ, ได้ ไปได้สังเกต่าว่าใจมันเบาสบายดูมันทำงานไปน้อมรักาเจ้าค่าหลวงพอ่อเรื่องไงขณะนี้ก็เห็นหัวใจตัวเองกำลังเต้นตุบตับตุ บ, ต บ, ตบเห็น้วยเหรอหรือรแค่รู้สึกรู้สึกค่ะเออเนาะถ้าเห็นได้นี่ก็อู้น่ากลัวอ่า เคยฟันเสีดีของงพ่อมาประมาณห้าถึงหกปีเจ้าค่ะแต่ว่าไม่เคยมากราบหลวงพ่อค่ะสังเกตเห็ว่าเราไม่เหมือนเดิมเจ้าค่ะ<น>ข<ค>ันมันก็แยกแล้วละ่ะเค่ะใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวได้แล้วเจ้าค่ะเพราใจมั<ใ>จนอยู่กับตัวนะเห็นกายมันทํางานเห็นใจมันทํ<ค>างานอย่างถ้าเราปวดขาเจ็บขานะก็เห็นขาอยู่ส่วนหนึง่งความเจ็บอยู่ส่วนหนึง่งใจอยู่ส่วนหนึ่งอะไย่างนี้นะจะดูไปทําถูกแล้วละ่ะเจ้าค่ะเก่งเนาะ บ้านอยู่ไหนล่ะเนี่ยอยู่หาดใหญ่เจ้าค่ะเออมาไกลเนาะเจ้าค่ะใช้ได้เจ้าค่ะนี่หลวงพ่อก็มีรายการจะไปเทศ่หาดใหญ่เหมือนกันมัน้งรู้สึกมีไหมคือกลุ่มกลุ่มกลุ่มนี้แหละเจ้าค่ะเพื่อน เ, ออเพื่อนที่นิมนต์ไปใช่ะเออใช้ได้นะของโยองาามอะอ่ะต่อไปไม่ได้มีปัญหากราบนรสรการท่านพระอาจารย์ครับผมผมเคยอ่าน หลวงปู่ฝากไว้เมื่อปี47ไปออกมาจากวัดธรรมงคลผมภาวนาบางครั้งเนี่ยผมเปรียบเทียบดูเหมือนกับน้ำที่เราต้มในหม้อหลงพ่อแล้วมันขึ้นมาพุ่ๆแล้วก็แตกไปเลยสภาวะเป็นอย่างนั้นบางครั้งผมดูทีวีเนี่จิตผมไหลไปอยู่ในทีวีดูมวยดูมวยจิตผมอยู่ในขึ้นไปต่อในใต้และบางครั้งหลวงพ่อผมภาวนาเห็นจิตผู้ เห็นตัวภาวนาเห็นจิตตัวหนึ่งมาดูผู้ภาวนาแล้วมันมีอีกตัวนึงใช่ใช่ต้องอย่างนั้นหละครับผมดูไปเรื่อยๆนะเห็นมันทํางานของมันเองครับผมเห็นไหมมันปรุงขึ้นมาแล้ก็ดับไปปรุงแล้วก็ดับไปนะดูไปแต่บางครั้งถ้าอยู่คนเดียวก็ดูอย่างนี้ก็มันมีความสุขเล็กๆเฉยมาเฉยเวลารู้สึกตัวมันจะมีความสุขเฉยขึ้นมาแต่แต่บางวันก็ไม่ได้เรื่องเลยครับเออเป็นธรรมดา ครูบาอาจารย์สอนนะว่าการภาวนาเนี่ยบางวันเหมือนมรรคผลนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาละอยู่บางวันภาวนาไม่เป็นเป็นทุกข์ก็เละครับผมผมอยากจะหาช่วงที่ไหนไปปีกวิเวกป้าอาจารย์พอจะแนะนําไปที่ไหนบ้างครับอยู่บ้านนะดีที่สุดปลอดภัยที่สุดไม่เสียสตังค์ <c oughs> อยู่บ้านบางครับมันวุ่น ว, า, นวายผมอยากจะไปปลีกอยู่<ส>ตรงไหนก็อยู่ตรงไหนก็ต้องทําให้ได้เะ ชีวิตเราจริงๆอยู่ที่ไหนก็ทําันที่นั้นหละหลวงพ่อนะก็ทั่งเมื่อก่อนอยู่เทพนะอยู่บนถนนก็ทํานะขึ้นรถเมย์มันก็พอวนาไปกินข้าวก็พอวนาอยู่บ้านก็พอวนาทําได้หมดเลยอย่างนี้ผมก็เคยครับนั่งรถไปขับรถไปเพราะเพื่อนมันหลวงพ่อว่ารถป่านหน้าผมกนดูสาภาวะไม่พอใจเออบางครั้งก็เพื่อนพูดไม่ถูกหูบางครั้งก็โอเค แต่ผมอยากจะอย่างนั้นจริงๆมีความอยากว่าจะไปอย่างอาที่อยู่บ้า น, น <c oughs> แล้วครับผมครับงานมาสกาไม่ใช่อะไรหรอกภาวนามาดีๆนะเราไปโน่นไปนี่นะเดี๋ยวเสียไปที่นี่เขาสอนอย่างนี้ไปที่นี่สอนอย่างนี้นะอยู่บ้านเราดีกว่าปลอดภัยนะเรียนหลายอย่างเดี๋ยวสับสนถ้าจะไปภาวนาเนี่ยต้องดูที่ที่เขาไม่ยุ่งกับเรานะแบบไปอยู่ ว่าไปอยู่วัดสักที่หนึ่งแล้วพระไม่มาสอบอารมณ์เราไม่มายุ่งกับเราแบั้นนะอย่างนั้นดีแต่ถ้าเดี๋ยวก็เรียกสอบสอ บ, สอบอเสียหมดอ่ะก็ทางใครทางมันนะมันต้องกว่าจะเข้าใจธรรมะจริงอ่ะมันต้องเหมือนคนที่ขึ้นภูเขาเขาขึ้นถึงยอดแล้วนะเราจะเห็นเลยว่าทางขึ้นเขาเนี่ย360องศานี่ส่วนใหญ่ครูบาอาจารย์ที่ถึงตรงเนี้ยไม่ค่อยมีมีแต่ขึ้นมาหน่อยๆอย่างเงี้ยนะก็ทิาทางมีแต่ทางเนี้ย คนอื่นเดินมาทางอื่นไม่เข้าใจก็ไปลากเข้ามาขึ้นทางของเราเดี๋ยวเราก็เสียสิจริงๆทางใครทางมันของโยมเนี่ยต้องทางใครทางมันเลยใครก็สอนไม่ได้นะกาบนมัส ก, การหลวงพ่อค่ ะ, ะโยมก็ฝึกดูจิตเดี๋ยวนะขอเวลานอกแป๊บหนึ่งโยมผู้ชายเห็นไหมกายกระใจมันแยกออกแล้วเออมันแยกออกเองเหรอ ผมถามมีข้อกับหลวงพอ่อบางครั้งเนี่ผมนั่งนั่งฟังอาจารย์พูดเนี่ผมไม่เปลี่ยนอริยบทแต่จิตมันถอยออกมาออืปิงเดียวมันถอยมาปวดรู้ว่าปวดแต่มันไม่ปวดออแต่เพื่อเปลียน ม, มันก็ไปจับอีกเออมันแยกออกมาก็รู้มันไหลเข้าไปจับก็รู้นะไม่ว่ามันดอกดีไปฝึกอีกครับผม ผมอยากจะไปอยู่อย่างนั้นเหมือนหลวงพ่อว่าอยู่คนเดียวเงียบๆไม่ไม่มีให้ใครมาแนะนําบางคนบอกอยากอยู่คนเดียวเงียบๆเลยไล่มีออกจากบ้านค่ะก็ฝึกดูจิตนะคะพอว่าฝึกไปฝึกไปรู้แล้วมันก็ก็พอว่าฝึกตามรู้แล้วมันก็วางแล้มันก็รู้ต่อไปต่อไปและถึงนี้ปัจจุบันนี้นะคะ ทำไมมันเฉยๆกับทุกๆกึ่งๆกันล่ะคะใจไอใจมันไปติดนิ่งๆอยู่น ะ, ะใจมันมันล็อกอยู่รู้สึกไหมใจขนาดนี้มันทื่อๆอยูนะ่ถ้าใจอย่างนี้ต้องหยุดการปฏิบัติกันแล้วเริ่มต้นใหม่นะลืมที่ปฏิบัติอยู่แล้วรู้สึกเอาใหม่นะหคล้ายๆหมากตานี้เล่นแล้วเล่นยากแล้วล้มกระดานรู้สึกเอาใหม เอาใหม่ยังไงล่ะคะเนี่ยใจมันทื่อค้างอย่างเงี้ยหลวงพ่อทำหน้าให้ดูนะเนี่ยมันจะค้างอยู่อย่างเงี้ยนะหนูเป็นอยู่ตั้งนานแล้วคะ่ะมันเหมือนกับว่าจะเดินเดินไปต่อไม่ต่อ ม, มันทําผิดเหรอทำผิดแล้วลืมเหมือนซะกนะรู้สึกใหม่เห็นร่างกายหาย ใ, ใจไปเห็นเ่ะอเอาใหม่ลองดูร่างกายหาย ใ, ใจ แล้วก็เพิ่มความรู้สึกตัวให้เข้มข้นขึ้นนิดหนึ่งรู้สึกตัวให้แรงขึ้นนิดหนึ่งความรู้สึกตัวมันอ่อนไปสติมันอ่อนไปรู้สึกให้แรงอย่างนี้นะแรงขึ้นนิดหนึ่งเอออย่างนี้ถึงจะไปได้ไม่ม value, งั้นจะไปลอยเพ่งคว้างว่างเปล่าอยู่นะเนี่อ่อนอีกแล้วออกออกันอ่อนอีกแล้วไหลไปละหายใจแร ง, แรงเออรู้สึกอย่างนี้รู้สึกไว้นะเอเอออย่างนี้ยขนาดเนี้ยเนี่ยรู้สึกตัวรู้สึกขนาดนี้นะ อยา่างตะกี้ที่อยู่ปกติเลยอ่อนไปใจมันจะลอยๆเฟื่องเฟื่อง้วไปอีกล้วไปแค่เ <c oughs> นื้อออกไหม <c oughs> เอออย่าให้มันไปอย่างนั้นไปแค่นหนีไปเลยนะเนี่ยใจใจกลับมาอยู่กับตัวเองอย่างนเนี้ยเนี่ยอย่างเนี้ยมันถึงจะจ ะ, จะต่อไปได้ถ้าแม่นไปต่อไม่ได้หรอกมันจะว่างๆไปอย่าไปเอาว่างนะเอาว่างไม่มีอะไรใช้ไม่ได้หรอกว่างเป็นผลอยู่ๆเราไปทําผลไม่ได้ต้องทําเหตุ ทำเหตุก็คือมีสติรู้กายรู้ใจไปเรื่อยจิตแอบไปคิดซ้ำไหมซ้ อ, อรู้สึกตัวให้เข้มข้นกว่านี้อีกนิดนึงหายใจแรงๆแล้วรู้สึกขึ้นมาเออขนาดนี้นะ อ, อรู้สึกขนาดนี้ไหมไม่งั้นอ่อนไปอา้าต่อไปหนูก็อยากถามแค่นี้และคะไม่มีอะไรแล้วคะ่ะอุยแค่นี้ก็เรื่องใหญ่แล้วป็นงานไปไม่รอดดอกก็อยู่ตรงนี้แหละจีบฟีล์มก็อยู่อย่างนี้แหละ นมัต ก, การค่ะหลวงพ่อค่ะยมฟังสิทธีหลวงพ่อมาตั้งแต่ป .2 ปห้า4 8นะคะลูกดีมีโอกาสครั้งหนึ่งลูกหา่พาไปกลับพาไปกลับหลวงพ่อที่ศรีราชาครั้งหนึ่งค่ะแล้วจากนั้นก็ดูมาตลอดอื่ว่าไม่ทราบว่ามันมีอยู่ครั้งหนึ่ง โยมนั่งดูทีวีอยู่ที่เปาะเอน็นะเกาอีเอ็นะคะแล้วมันเห็นร่างของตัวเองอดูไม่ได้เลยค่ะมีเหมือนกับมีอะไรมาอยู่ด้านหน้าเหมือนกับว่าตัวเองไปยืนอยู่รูปหนึ่งแล้วก็หันมามองอีกร่างหนึ่งพี่นอนอยู่บนเกาอีเอ็นะคะมองแล้วก็สมเพศร่างของตัวเองนะเจ้าค่ะคือจิตมันมีสมาธิน ะ, ะมันถอนตัวมามาดูย้อนกลับมาดูร่างกายมันจะเห็นร่างกายนี้น่าเบื่อไหนก็ เราพอใจมันเบื่อเนี่ยให้ให้ใหรู้ทันที่จิตเรา่าไปให้ความรู้สึกเบื่อหน่ายนะครอบงำจิตเราได้นะ <Okay. S 2> แล้วจิตมันถอดออกจากร่างไปเห็นร่างกายนอนดูน่าสมเพชมากเลยใจสลดสังเวช ร, รู้ทันว่าใจสลดเนี่ย <Okay. S 2> ความสลดต้อขาดไปใจเป็นกลางรู้ <Okay. S 2> อย่างเป็นกลาง <Okay. S 2> นะต้องรู้อย่างเป็นกลางไม่ให้ความสลดใจครอบงำ มีอยู่สองครั้งแล้วอีกครั้งหนึ่งไปประสบอุบัติเหตุค่ะรถคว่ำแล้วก็มองเห็นอีกนั่นเลยค่ะก็มองอีกร่างของตัวเองแล้วก็ออมีมีเลือดไหลก็มองเห็นมันผิดอะไร เ, ออเนาะก็แค่นั้นเลยค่ะเวลา <3 S 2> เกิดอุบัติเหตุนะลูกศิษย์หลวงพอ่อเนี่ยเป็นเยอะเลยเออชอบขับรถเร็วกว่ารถคว่ำรถหงายรถตะแคงคลิศซ้ายที่กว่านะเวลาเกิดอุบัติเหตุนะจิตมันถอนตัวออกมาเป็นแค่คนดูนะ มันเห็นร่างกายเนี่ยหมุนไปเรื่อยๆหัวกําลังจะโขกพื้นแล้วหลบซะหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยแทนที่จะเจ็บมากก็เลยเจ็บน้อยเจค่ะเพราะมันมีสติขึ้นมาสติอัตโนมัติมันเกิดะแล้วจิตมันตั้งมั่นอัตโนมัติถ้าฝึกอย่างนี้ได้นะเวลาตายไม่ต้องกลัวแล้วนะจิตเรไปสุคติแน่นอนเลยเจ้าค่ะเออเราไม่ต้องกลัวอะไรเลยเจ้าค่ะขอบคุณเจ้าค่ะใช้ได้นะแกมันนัดการหลวงพ่อค่ะ ยมขอยึดหลวงพ่อเป็นครูบาอาจารย์เพื่อการปฏิบัติครั้งต่อไปค่ะโอไม่เป็นไรเรียนกับหลวงพ่อไม่ต้องยื่นใบสมัครถ้าทำตามที่หลวงพ่อสอนก็เป็นลูกศิลป์หลวงพ่อแล้วรักษาศีลดีไหมก็บางครั้งค่ะนะพยายามรักษาให้ดีจิตใจฟุ้งซ่านบ่อยไหมบ่อยค่ะงั้นก็อยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจนะ แล้วก็ดูกายมันทำงานดูใจมันทำงาน <Okay. S 2> เห็นไหมใจมันโลภได้เองมันโกรธได้เอง <Okay. S 2> มันโมโหได้เองนะดูมันทำงานได้เองนะดูอย่างนั้นบ่อยๆ <Okay. S 2> ถ้าทำได้ก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อแล้วละ่ะ <Okay. S 2> ไม่ต้องยื่นใบสมัครติดรูปถ่ายไม่ต้อง <laughs> ไปทำอีกไปกราบนาสถารหลวงพ่อเจ้าค่ะ การฝึกปฏิบัติตลอดเวลานี้นะเจ้าคะจะเรียนรู้เรื่องกายกับจิตเป็นเป็นปกติอะค่ะเวลาจะนั่งสมาธินะคะก็ก็นั่งดูกายนั่งดูจิตของตัวเองนะเจ้าค ะ, ะเวลาปวดก็จะเห็นว่ากายปวดแต่รู้สึกว่าใจมันจะปวดมากกว่ากายเจ้าคะก็จะดูตามไปเรื่อยๆเืๆ่อยๆนะเจ้าคะแต่ตอนที่เราอยู่กับตัวเราเองอะคะ่ะเราสามารถบอกตัวเองได้นะคะโกรธ โมโหโ ห, หรืออะไรเนี่ยคะ่ะเราจะยับยั้งตัวเองได้ะคะ่ะแต่เมื่อออกสู่ภาวะสังคมอะคะ่ะเราก็รู้ว่าเขาเราโกรธแต่เราก็จะระงับจิตของเราเนี่ยคะ่ะได้เป็นบางครั้งอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าเมื่อมีมีความโกรธเกิดขึ้นเนะะี่ยค่ะเราจะหนีจากความโกรธคือเดินไปหรือว่าอยู่สู้กับความโกรธนั้นจนความโกรธจางหายใช่ไหมเวลาเราจะชกกับใครทักคนนะเราก็ต้องประเมินก่อนถ้าโชกเราชนะเราก็ชกโชค ถ้ารอบนี้แพ้แน่เราก็หนีก่อนเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคนเขาจะไม่ฟังเราอะเจ้าค่ะเขาก็จะฟังแต่เขาเองอ่ะเจ้าค่ะก็เหมือนกันทุกคนหละส่วนมากก็เป็นอย่างนั้นแหละธรรมดาเขาก็อยากให้เราฟังเขานะเอเจ้าค่ะธรรมดาก็ก็อหมายถึงว่าเราก็ดูคู่ชคว่าถ้าต่อได้ก็ต่อนะเจ้าค่ะถ้าต่อไม่ได้ก็ก็หยุด อย่าไปยุ่งเหรอเขาก็กลายเป็นว่าบางครั้งก็เป็นแบบเนี้ยค่ะแต่คลายเป็นว่าเหมือนกับว่าเรานี้ไม่อไม่ช่วยไม่ช่วยในภาวะของเขาอืไม่ปล่อยวางเกินไปเจ้าใครอย่างเงี้ยเราเราช่วยเท่าที่เราช่วยได้ถ้าเราพยายามช่วยโดยมากไปเขาไม่ต้องการนะเขาลาคาญนบางอย่าคนนี้ยุ่งใ่เห็นไหมเป็นอย่างเงี้ยมันเข้าําราเนี้ยเพราะงั้นเขาไม่ได้อยากให้เราช่วยเยอะ บางคนชอบมาปรึกษานะมาขอความเห็นแต่จริงๆไม่ได้ต้องการความเห็น<ช>เขาต้องการความเห็นด้วยโอ๋อใช่เจ้าค่ะใช่ไหมถ้าเรารู้ว่าไอ้นี่ต้องการความเห็นด้วยเราก็ไม่ลองไปพูดจมนานนเออเอาไงก็ทําไปเถอะเราจะได้ไม่ต้องวุ่นวายใจเจ้าค่ะก็จะต้องฝึกดูจิตใจกายตลอดมันมันต้องเข้มแข็งพอนะถึงจะยอมวางได้ งั้นบางทีไปไปมามอยากชนะเลยจริงเจ้าค่ะจริงไม่หลอกหรอกเห็นชัดเจนเลยเจ้าค่ะนเออเก่งที่เห็นนะเห็นตัวชัดเจนเจ้าค่ะกราบอพระคุณเจ้าค่ะกราบนรมังการหลวงพ่อเจ้าค่ะปีที่แล้วโยมส่งกันบ้านกับหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าโยมใจร้ายเจ้าค่ะมีโมหะแล้วก็ยอมรับบ้างไม่ยอมรับบ้างเจ้าค่ะเรอเห็นไหม มามาตอนนี้โยมการอขอบขอบคุณหลวงพออ่อเจ้าค่ะยมสามารถยอมรับได้เยอะขึ้นเจ้าค่ะแล้วก็ปฏิบัติก็รู้ตัวมากขึ้นยอมได้ก็สบายใจนะเจ้าค่ะก็สบายใจขึ้นเลยเจ้าค่ะแล้วก็เราก็รู้ตัวไปไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับใครเยอะหรอกดูกายดูใจของเราให้มากนะแล้วก็พ้นทุกข์ของเราไปเจ้าค่ะ ทางนี้เป็นทางที่ต้องไปคนเดียวบค่ะุ่มไครไปไม่ได้เราไปของเรานี่แหละ <c oughs> เรื่องอะไรเราต้องทุกข์ไปตลอดชาติเจาะนะจะมีบางครั้งใจมันก็อยากให้คนอื่นเห็นแบบที่เราเห็ น, นอย่างเงี้ยเขาก็เห็นได้ตามชั้นตามภูมิของเขาหรอกแลแ้ว<ล> <rakt> เราอยากให้เขาเห็นอย่างที่เราเห็นนะก็เขาไม่ได<อ>้อยากเห็นอย่างที่เราเห็นเ่ยเราไปบัครับเขาไปได้หรอก บอกได้นะแต่ถ้าเขาไม่เอาก็แล้วกันไปเรามีความการุณาเห็นเขาทุกเราอยากบอกเขาน ะ, ะนี่เ ข, เขาไม่เชื่อกรุณาจะเปลี่ยนเป็นโทสะ ท, ทันทีเลยใช่ไห ม, หมโมโหหรืออีนี่โง่อยูอย่สอนตั้งนานเลยกลายเป็นโทสะน ะ, ะเพราะงั้นต้องมีอุเบกขาด้วยมไม่งั้นการุณาจะพลิกเป็นโทส ะ, ะแล้วเมตตาเนี่ยจะพลิกเป็นราคะนะ อย่างเรารู้สึกดีกับคนนี้นะดีไปดีมาไปชอบเขาเลยเนี่ยมันพลิกเป็นราคะถ้ากรุณาเห็นเขาตกทุกข์ยากยากอยากแกแนะนําอยากช่วยเหลือนะเขาไม่เชื่อนะโทสะขึ้นลนะ้วเนี่ยพลิกเป็นโทสะหรือมุติตานะเห็นใครเขาดีก็ดีใจกับเขาแต่มันชักจะดีบ่อยเกินไปแล้วชักจะหมันไส้เนี่ยพลิกนะจิตเนี่ยงั้นเราต้องมีอุเบกขาไว้บ้างเป็นตัวเบรก าบางครั้งเนี่ยเวลาโยมปฏิบัติเวลาเดินเนี่ยโยมว่าโยมจะรู้สึกตัวดีกว่าที่นั่งเฉยๆเวลานั่งเฉยๆใจมันจะใช่ใจเราจะอ่อนไปสติมันจะอ่อนไปไแทนที่จะไปอยู่เฉยๆนะั่งก็เคลื่อนไหวไว้แล้วแทนที่จะเดินกลับไปกลับมานะไม่ค่อยมีประโยชน์ถือไม่กวาดเท่าอนหนึ่งกวาดไปเรื่อยๆอย่างนั้นดีกว่าอนะืมเจ้าค่ะดีกว่าเดินจงกรมแบบอย่างนี้นะจะแกล้งวางฟอร์ม หางานทำไปใช้ร่างกายทำงานเนี่ยวาดบ้านถูบ้านซักผ้ารดต้นไม้เลี้ยงหมาบ้างไหมไม่ดียงังจอ๋อแล้วมีตัวอะไรบ้างไหมมีแมวอยู่เจ้าคะตัวแมวไม่ต้องอาบน้ำตอนแรกโยมก็ไม่เข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือเหมือนกับชีวิตประจำวันที่เราต้องทำไปแต่พอมาฟังกล่องหลวงพ่อโอ้ การปฏิบัติทรรมมันก็แค่สื่อสี่ห้าให้ได้น ะ, ะ, ะแล้วก็ฝึกในรูปแบบฝึกในรูปแบบเนี่ยทำไมต้องฝึกมันเหมือนทหารต้องซ้อมรบแล้วก็พอซ้อมรบได้ดีเนี่ยออกมาอยู่ในชีวิตจริงออกมาสู่สนามรบเพราะงั้นถ้าเราปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้เนี่ยนี่คือสุดยอดของนักปฏิบัตินะถ้าเก่งเฉพาะตอนอยู่ในห้องพระเนี่ยไม่ค่อยเอาไหนหรอกคล้ายๆซ้อมรบเก่งออกรบที่ไหลตายทุกทีเลยเว <laughs> ลาเราอยู่คนเดียวภาวนาในรูปแบบเนี่ย เราตัดอายตนะบางตัวออกตาเราก็ไม่ต้องไปสอดสายอะไรหูก็ไม่ต้องไปสอดสายใช่ไหม จ, จมูกลิ้นเนี่ยไม่ได้ทํางานเท่าไรหร่เหลือแต่ร่างกายกับใจเราดูอยู่สองอันดูกายดูใจแต่พอเราออกมาอยู่ในโลกจริงเนี่ยเราใช้ทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจเลยใช่ไหมเนี่ยมันต้องแน่กว่านะมันยากกว่าการที่ทําในรูปแบบเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในชีวิตธรรมดาเนี่อรับปฏิบัติได้เนี่ยสุดยอดเลยน ะ, ม, ะมันยากกว่าตอนที่ทําในรูปแบบ นี่ทั้งหช่องตาหัวจมูกริ้นกายใจกระทบอารมณ์ทั้งหกช่องแล้วทำยังไงรู้ทันใจไหมรู้ทันที่ใจตาเห็นรูปใจเราเปลี่ยนเรารู้ทันหูได้ยินเสียงใจเราเปลี่ยนเรารู้ทันใจเราคิดใจมันเปลี่ยนเรารู้ทันรู้ทันจิตไปเรื่อยๆเนี่ยอยู่ในชีวิตธรรมดาเนี้ยเรารู้ทันจิตไปส่วนทําในรูปแบบจะนั่งสมาธิจะเดินโจงกลมอะไรก็ทําไปเถอะจ้าค่ะกาลังกราบขอบพระคุณจ้า รับพ่อหน่อยะเสร็จแล้วใช่ไหมยถาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวามวาีโตทินังเปตานังอุปกะปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิชิตุสพเพปูเรนตูสังกปาจันโทปนรโสยถ า, ามณีโชติรโสยถ า, าสัพพีติโยวิวัตฉันตูสัพโรโควินัสตู มาเตฟวัตฟันตรายโยสุขีที่คายยโกฟะวะอาภิวาธนาสีลิสนิตจังวิทาจจายโนจตาโรโธรมาวันตีอายุวันโนสุขขังพระลังหลวงพ่ออนุมโมทนานะพวกเราทุกคนนะโดพระท่านอาจารย์มาราจารย์พิเชษเลยเนี่ยเป็นตัวตั้งตัวตี ธรรมะของพระเจ้านะมีคุณค่ามีประโยชน์ที่สุดเลยนะชีวิตเราเกิดมาเนี่ยเราไม่ควรจะต้องต่ำต้อยตลอดไปไม่จำเป็นจะต้องจมอยู่ในความทุกข์ตลอดไปพระพุทธเจ้าให้ทางออกไปแล้วนะตั้งใจศึกษาเขามีซีดีแจกนะวันนี้เอามาพันแผ่นส่งมาก่อนนะนี่หนังสืออีกพันเดิมเอาไปอ่านนะนี่หลวงพ่อลา่อนลนะ้ะ